มาไง่ามมาจากที่ไหนกันกุเนเทเจ้าค่ะอ๋อเคยมารเปล่าเคยมาหึ้าเจ้าค่ะอ๋อประมาณสองสองอาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะประมาณเค่ะมีปัญหาอะไรไหมมีคาถามอะไรหรือเปล่าอนนี้ยังไม่มีเจ้าค่ะอ๋อแล้วเจตนาที่มาวันนี้มีเจตนาอะไรเลยเจตม า, าเจตนาจะฟังพระอาจารย์ เทศเจ้าค่ะเราก็ทมาเจ้าค่ะเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอืมีใครอยากจะถามเลยไหมท่านมีท่านมาขอพระอาจารย์บวดนะจ่าบวชอ่านั้ะมีโนภาเพื่อนมาใช่ไหมฮะมาใช่ที่วันโนภาใช่ไหม จำไม่มาามจำไม่จำ ไ, ไม่ได้ไม่น่าใจ <c oughs> เป็นเพื่อนนะทำไมไม่บวชกับอาจารย์ตันนะดีช่วงนี้อาจารย์ตันไม่อยู่ค่ะต้องไปะกันต้องไปเป็นเดืนนอนบเขาเหมือนเตรมตัวเขาก็่คะบวชนานหมหรว่ามณทนสาหนึ่งรอการบวชที่วัดนี้เขามีขั้นตอนคือขั้นตอนแรกนี่ ผู้ที่มาอยู่ใหม่เขาจะให้ฝึกอยู่ที่ข้างล่างก่อนเพราะพระบวทใหม่เขาต้องมีการเรียนนักธรรมตรีแล้วก็ฝึกไหว้พระสวดมนต์ทำวัช้า ว, วัดเย็นอะไรอย่างนั้นก็พระใหม่นี้จะพักข้างล่างก่อนเพราะส่วนหนึ่งก็คือข้างบนนี้ที่มันมีมีจํากัดมันไม่พอ แล้วก็หลังจากออกพรรษาแล้วถ้าอยากจะขึ้นเขาถ้ามีที่ว่างก็ขึ้นมาได้และในร ะ, ระหว่างที่อยู่ข้างล่างวันไหนว่างอยากจะขึ้นมาเปลีกเว่เป็นช่วงช่วงไปก็ขึ้นมาได้แต่ในระยะแรกนี้ต้องที่เป็นพ้าบวนใหม่ที่เรียกว่าผ้านวกะ มีกิจกรรมของพระบวชใหม่ที่ต้องทำอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันมันสะดวกกว่าอยู่ข้างบนข้างบนนี้พระที่อยู่ข้างบนต้องลงไปแต่เช้ามืดเพื่อจะไปร่วมบิณฑบาตกับพระข้างล่างถ้าเป็นพระบวชใหม่นี้มันก็อาจจะทุลักทุเล่ก็เลยนะให้ฝึกอยู่ข้างล่างก่อนเพราะว่าต้องมีพระวินัยสองรอยี่บเจ็ดข้อที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการ ปฏิบัติที่เป็นของพระนี่มันมันไม่เหมือนกับของยาดอยู่นั้นถ้าต้องการจะบวชก็ไปติดต่อกับกุฏิเบอร์สีที่น่เป็นเหมือนสำนักงานของพระที่เขาจะรับผู้ที่จะมาบวชแล้วเขาจะกำหนดวันบวชให้ที่วันนี้เขาจะบวชมู่ ช่วงนี้เขาจะมีวันบวชอยู่สองวันคือวันที่ยี่บหกเดือนมิถุนากับวันที่สิบหกกรกฎาคมมีอยู่สองสองวันแล้วผู้ที่จะมาบวชก็ต้องมาอยู่เป็นพระขาวอยู่ประมาณเจ็ดวันก่อนที่จะบวชนั้นเช่นว่าจะบวชยี่บหกนี้วันที่สิบเก้าก็มาอยู่วัดแล้วก็เขาก็จะให้อยู่เหมือนกับพระ เพแต่ให้นุ่งขาวห่วมขาปฏิบัติภา ร, รกิจเหมือนกับพระตอนเช้าไปบิณฑบาตก็ไปกับพระไปช่วยถ่ายบาตรใน ท, ทาอะไรต่างๆหรือถ้ารถมันแน่นมันไม่ไปไม่ได้ก็ให้ช่วยกันกวาดฉาลาหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะให้กินมือเดียวเหมือนกับพระแทนที่จะใช้บาตรก็จะมีชามหรือกะละมังให้ใส่อาหาร ก็ต้องไปไปแจ้งให้เขาทราบว่าจะต้องการบวดถ้าไปเนื่นๆจะดีเพราะเดี๋ยวนี้ที่มันมันจะเต็มแต่ในกรณีของคุณถ้าถ้าไปแล้วเขาบอกว่ากุติเต็มก็บอกว่ามาขอกุติจากเราก็แล้วกันเราจะหาให้เราจะเร า, เรามีแบ่งไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับศรัทธาญาติโยงที่มาทำบุญประจำ เวลาเขาจะหนีลูกมาบวชก็จะได้มีที่ให้เขาอยู่เพราะที่นี่เรามีคนมาบวชจากทั่วประเทศที่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องสนับสนุนเพ่อตอบแทนบุญคุณของญาติโยมที่ใส่บาตรที่มาทําบุญที่วัดเป็นประจำบางทีเขามีลูกก็จะมาขอบวชก็เลยต้องเก็บกุฏิไว้ส่วนหนึ่งไว้ให้เขาอยู่ ก็ก็ลองดูถ้าถ้าเขามีที่อยู่ก็อยู่ตามที่เขาจัดให้ถ้าถ้าเข้ามาเที่ยวดูถสถานที่นไม่รู้กะเียวอะไรเป็นไรให้มาดูก่อนดีก็ล่าให้ฟังเพื่อที่คนอื่นที่เขาอยากจะมาบวชเขาก็จะได้รู้ว่าที่นี่เขาทำอย่างไรแต่ภาคที่บวชแล้วอยากจะมาอยู่บนเขานี่ก็ต้องให้ภาคอยู่ข้างล่างก่อน แล้วาบางทีเราไม่ทราบวพพระพนี้ท่านมาจากสำนักไหนสายไหนการปฏิบัติท่านเป็นอย่างไรก็เลยต้องให้พักอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะได้ดูการปฏิบัติของท่านเพราะข้างบนนี้พอขึ้นมาแล้วก็จำเหมือนกับว่าปล่อยลิงเข้าป่าคือไม่มีใครมาเฝ้าดูกันว่าใครทำอะไรกันอย่างไร คนที่อยู่บนเขานี่จะรู้หน้าที่จะรู้เวลาว่าเขาจะต้องทำอะไรกันคนที่จะขึ้นมาอยู่นี่ก็มักจะให้ขึ้นมาดูมาศึกษาด้วยก่อนแต่เบื้องต้นเขาให้พักอยู่ข้างล่างก่อนเพราะต้องทำกิจกรรมเช่นบิณธบาตชันอาหารที่ข้างล่างมันจะสะดวกกว่าที่จะขึ้นมาอยู่ข้างบนในระยะแรกๆพออยู่ไปแล้วเข้าใจ ชินกับสถานที่รู้จะข้อวัดปฏิบัติว่าทำกันอย่างไรก็ถ้าข้างบนมีที่ว่างอยากจะขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ข้องบนก็จะขึ้นมาก็ต้องชอบปฏิบัติมาชอบมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมแตถ้าจะขึ้นมาแล้วก็มาทำกิจกรรมอย่างอื่นก็จะไม่ให้ขึ้นมา ขบวันนี้เป็นที่ปริกวิเวกเหมือนเป็นทุดงฆาสถ า, านเห็นที่เป็นป่าที่พระมนจะได้มาบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบวชก็เดี๋ยวไปถามพระที่อยู่กุฏิเบสีบอกว่าจะมาขอบวชจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วเขาก็จะบอกทุกอย่างให้ทราบ เรต้องทำอะไรเพราะต้องมีหนังสืออะไรบางอย่างด้วยที่นี่เขาจะให้ตรวจเลือดด้วยก็ไม่แน่ว่ามีเชื้ออะไรต่างๆอยู่ในเลือดหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ให้มีการขอสอบประวัติประวัติอชาชญกรรมด้วยว่ามีประวัติอะไรหรือเปล่าก็ต้องไปขอจากสถานีตำรวจนะที่เราอยู่ที่ที่ทะเบียนบ้านเราอยู่ ให้เขารับรองว่าไม่มีไม่มีประวัติอะไรเพราะเดี๋ยวนี้คนมาจากหลากหลายหลักสถานที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นอะไรกันทางสงฆ์คณะสงฆ์อะไรก็ต้องขอขอทราบประวัติข้าวๆว่าไม่มีไม่มีติดกฎติดคดีอาญาหรืออะไรต่างๆหนี้บางทีคนหนีมาบวชกันนี้ ก็ตามสบายนะถ้ า, ถ, าถ้าอยากจะจะไปก็ได้หรือจะนั่งฟังคุยกันคุยกันก่อนก็ได้ไม่ได้ตอนนี้ได้ปฏิบัตินั่งหรือเปล่าได้แค่ดูจิดไปเรื่อยๆเจค่ะดูยังไงอะ ดูว่าตอนนี้คิดเขาเป็นยังไงอะค่ะคิดยังไงมีอะไรบ้างเกิดขึ้นในตัวเองบ้างนะเจ้าค่ ะ, ะแล้วเวลาเกิดขึ้นจะทำยังไงอุ่ณใหญ่จะดูเขาดูเขาเรื่อยๆเจ้าค่ะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำอะไรกับเขาเวลาเขาอารวาสก็ปล่อยเขาอารวาส <c oughs> เวลาเขาอารวาสเห็นเห็ น, หน ก, ก, ก็จะมีสติหยุด หยุดของเขาเองเจ้าค่ะแล้วเวลาเขาอยากหยุดเขาได้หรือเปล่าอยากนี่ถ้าเรื่องของอาหารมันหยุดไม่ได้เจ้าคะ่ะยังเห็นนูน่นแล้วก็ยังอยากทานยังยังมีความรู้สึกมันอยากทานนูน่นนี่อยู่เจ้าคะ่ะเปนการดูจิตเนี่ยเราต้องดูเพื่อหยุดความอยากอพอาะาดูแล้วปล่อยให้เขาทาตามความอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูเพื่อหยุดความอยากหยุดความโลภ หยุดความโกรธหยุดความหลงที่เราจะหยุดได้ไม่ได้เนี่เราก็ต้องดูว่าเราหยุดความคิดได้หรือเปล่าถ้าเราดูเฉยๆล้วก็ปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดความคิดได้ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดไม่ได้เช่นพอคิดถึงอาหารอยากจะรับประทานอาหาร ก็จะหยุดไม่ได้เพรฉ้เราต้องศึกษาวิธีหยุดความคิดก่อนเพราะเวลาที่เราเกิดความอยากจะรับประทานอาหารตามความอยากคือการรับประทานอาหารนี้รับประทานอยู่สองแบบรับประทานตามความจำเป็นกับรับประทานตามความอยากถ้ารับประทานตามความจำเป็นนี่เราก็ต้องปล่อยให้รับประทานไป พราร่างกายต้องมีอาหารไว้หล่อเลี้ยงแต่ถ้ารับประทานตามความอยากเช่นไม่มีวันเวล่ำเวลาไม่มีขอบมีเขตอันนี้เราก็ต้องหยุดมันเพราะมันเป็นกิเลสมันเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจของความไม่สบายใจเราต้องรู้ว่าเราตอนนี้กําลังรับประทานด้วยความอยากหรือด้วยความจําเป็น เราก็มีวิธีมาตรการเช่นเราถ้าจะรับประทานตามความจาเป็นเราก็กำหนดว่าเอาวันหละหนหรือสองหนเช่นพวกที่ถือศีลแปดนี่เขาก็จะมีมาตรการว่าินวันละแค่ถึงเที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องรับประทานแล้วถ้าอยากจะรับประทานหลังจากเที่ยงวันก็ถือว่ารับประทานตามความอยากเราก็ควรจะหยุด เพราะว่าการรับประทานอาหารตามความอยากก็เพื่อหาความสุขจากการรับประทานอาหารซึ่งมันเป็นความสุขที่ประเดียวปะดาแล้วมีโทษมากกว่ามีคุณประโยชน์เพราะจะทำให้เราอยากรับประทานอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหักห้ามจิตใจไม่ได้ก็อาจจะเกิดโทษกับร่างกายได้ร่างกายก็จะกลายเป็นตุ่มไป แล้วก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนแต่นี่ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของเราคือที่ใจเราจะหาความสงบไม่ได้มันจะหิวอยู่เรื่อยๆจะอยากอยู่เรื่อยๆแล้วมันแทนที่จะมีความสุขมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะเวลาอยากนี่มันก็ต้องหารับประทานแล้วถ้าไม่มีอะไรรับประทานก็จะจะไม่สบายใจ รับประทานก็จะเกิดโทษกับร่างกายฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการแยกแยะ ก, การรับประทานอาหารตามความจําเป็นกับตามความอยากก็อย่างพระนี่พระเจ้าก็สอนให้ฉันมือเดียวฉันเพื่อร่างกายฉันตามความจาเป็นพอร่างกายได้รับอาหารครั้งหนึ่งแล้วก็พอแล้ว อีก24ชั่วโมงค่อยกลับมารับประทานใหม่ก็ได้ถ้าอยากจะรับประทานหลังจากที่รับประทานครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงว่าเป็นความอยากก็อย่าไปรับประทานมาทำใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบแล้วความอยากรับประทานจะหายไปความอิ่มใจจะเกิดขึ้นการหยุดความคิดที่ าอาจารย์พูดถึงตอนเริ่มต้นนะเจ้าค่ะเขาเรียกว่าสติต้องใช้สติเป็นตัวหยุดความคิดทีนี้สตินี้ก็มีหลากหลายวิธีที่จะทําให้เกิดขึ้นมาบางคนถ้ามีสติมากว่าพอดูดูจิตกําลังคิดอยู่ก็หยุดคิดได้ไม่ให้คิดให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆอย่างนี้แสดงว่ามีสติมากกําลังมีมาก สามารถสั่งให้หยุดความคิดได้ทันทีหรือถ้าจะคิดเมื่อไหร่ออรก็สั่งให้คิดได้ต้องการให้หยุดคิดเมื่อไหร่ก็สั่งให้หยุดคิดได้ถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีสติถ้าไม่สามารถสั่งให้ความคิดหยุดได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยอุบายของกรรมฐานสี่สิบชนิดเนี่ยกรรมฐานสี่สิบนี่เป็น เป็นอุบายของการสร้างสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือสร้างสติเช่นเราถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็เร่ลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นเราเลึกถึงคาว่าพุทโธพุทโธไปแทนที่จะดูจิตให้ปล่อยให้คิดเรื่องนั้เรื่องนี้เราให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปอย่างเดียวจะไปคิดเรื่องอาหารก็ให้พุทโธพุทโธไปจะคิดเรื่องออกไปเที่ยวข้างนอกก็พุทโธพุทโธไป อยาคิดอยากจะดูภาพยนตร์อยากจะฟังเพลงก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธไปให้พุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วความคิดต่างๆมันจะไม่สามารถที่จะคิดได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะทำใจให้สงบได้ด้วยการนั่งหลับตาเวลาเรานั่งหลับตาแล้วเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเรามีการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่อง ไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบและความคิดก็จะหยุดโดยที่เราไม่ต้องบังคับหยุดด้วยกำลังของพุทโธเวลาหยุดแล้วใจก็จะนิ่งจะสงบจะมีความสุขจะสงบนานหรือไม่นานก็แล้วแต่กำลังของสติที่เราสร้างขึ้นมาหม่ๆจะสงบเพียงแว บ, บเดียวแล้วก็จะถอนออกมาเราก็เรียกว่าคานิกะสมาธิ ถ้าสติมีกำลังมากสงบแล้วก็จะตั้งอยู่ได้นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิขณะที่อยู่ในสมาธินี้จิตจะมีความสุขจะมีอุเบกขาเราไม่ต้องทำอะไรในช่วงนั้นเราจะเราจะเพลิดเพลินกับความสุขกับความสงบนั้นไปจนกว่าจิตจะถอนออกมาพอถอนออกมาเราก็ต้องควบคุมความคิดต่อโดยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธต่อไป จนกว่าเราจะมีกาลังของสติสามารถที่จะหยุดความคิดได้เวลาใดที่เราต้องการเวลาใดที่เราต้องการเข้าสมาธิเราก็สามารถเข้าได้สแสดงว่าเรามีเบรกที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้แตเป็นการหยุดแบบชั่วคราวเพราะว่าความอยากไม่ได้ตายไปกับการหยุดด้วยสติ พอเราถอนออกมาถ้าเราเผลอไม่มีสติความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะทำลายความอยากให้หายไปอย่างถาวรเราก็ต้องใช้อุบายของปัญญาปัญญานี้จะมาแก้ความอยากได้เพราะปัญญาจะเอาความจริงมาสอนใจใจอยากเพราะความหลงเพราะคิดว่าสิ่งที่อยา่างนี้น่ารับประทานเช่นอาหาร เวลาอยากรับประทานอาหารเรามาักจะนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานอาหารประเภทต่างๆอุตตระก็สอนให้ดูอาหารที่อยู่ในปากเวลาที่เราเอาอาหารจากในจานเข้าไปขบเคี้ยวในปากขณะนั้นมันจะรู้สึกกรเร็ดอร่อยใช่ไหมมันอร่อยตอนที่เราได้รับประทานใช่ไหมตอนที่อยู่ในจานมันน่าดูแต่มันก็ยังไม่อร่อยไม่เหมือนตอนที่เอาเข้าไปในปาก เวลาที่มันอร ե ตอร่อยเราอยากจะดูหน้าตาของมันว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองคลายมันออกมาดูแล้วก็ลองตักเข้าไปกินใหม่ให้นึกให้นึกถึงอาหารที่อร ե ตอร่อยที่อยู่ในปากหรือที่กินเข้าไปแล้วอยู่ในท้องหรือที่ถ่ายออกมาอจากร่างกายให้ดูส่วนนี้ของอาหารให้นึกถึงส่วนนี้ของอาหารแล้วมันจะทําให้ความอยากรับประทานอาหารนี้มันหายไป แล้วต่อไปทุกครั้งเวลาอยากรับประทานอาหารพอเราคิดถึงความไม่สวยงามความสกปรกของอาหารที่อยู่ในร่างกายของเรามันก็จะไม่อยากจะรับประทานทีนี้มันก็จะรับประทานอาหารเหมือนรับประทานยารับประทานด้วยความจำเป็นถึงเวลามีความหิวของร่างกายก็รับประทานเพื่อดับความหิวของร่างกายให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขได้แต่จะไม่อยากรับประทานอาหารเหมือนเมื่อก่อน เพราะเรามีปัญญาทุกครั้งที่เราอยากอาหารเราก็คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องหรืออยู่ที่ขับถ่ายออกมานั่นเป็นอาหารทั้งนั้นที่เราสิ่งที่เราขับถ่ายออกมามันมาจากไหนมันก็มาจากอาหารที่อยู่ในจารนรที่น่าน่ารับประทานใช่ไหมนี่คือมาตรการของการทาลายความอยากที่จะรับประทานอาหารให้หมดไปอย่างถาวร ถ้าเรามีปัญญามองเห็นสภาพของอาหารที่อยู่ในร่างกายแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่อยากรับประทานอาหารเพราะมันไม่น่าดูมไม่น่ารับประทานอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่จะให้ได้เหตุได้ผลจริงๆถ้าดูไปเฉยๆนี่มันจะไม่ได้อะไรดูเหมือนก็ดูมันแต่เหมือนกับเราทาอะไรมันไม่ได้เหมือนเราดูลิง ถ้าเราปล่อยลิงให้มันอยู่ในบ้านแล้วเราดูแล้วตามดูมันมันจะลื้อข้าวลื้อของเราก็ปล่อยให้มันลื้อเพราะเราหยุดมันไม่ได้ยิ่งดูมันไปก็ปวดหัวเปล่าอย่าไปดูมันดีกว่าถ้าดูแล้วต้องหยุดมันได้เช่นลิงมันกําลังจะลื้อข้าวลื้อของก็ต้องมีมาตรการที่จะหยุดมันให้ได้จิตลรานี่เป็นเหมือนลิงมันก็ชอบขวายคว้าชอบทํานู่นทํานี่ แล้วมักจะไปทำในเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนใจให้กับเร า, าอย่างนี้ขั้นแรกก็คือต้องฝึกเป็นใ้ึอ่าใช่ต้องสร้างเบรกของใจขึ้นมาก่อนอให้เราสามารถหยุดยยความคิดต่างๆเช่นพอคิดอยากจะรับประทานอาหารก็หยุดมันเสียหยุดจนกระทั่งลืมไปลืมลืมเรื่องที่จะรับประทานอาหารไป ถ้าเราไม่หยุดมันเดี๋ยวคิดถึงเรื่องอาหารบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวยิ่งคิดยิ่งหิวยิ่งคิดยิ่งอยากฉะนั้นธรรมวัฒพุโทโธนี้ใช้ได้กับทุกสถานะเลยใช่ไหมเจ้าคะเพื่อให้ฝึกให้ทีสติใช้กับทุกสถานการณ์ถ้าถูกกระจริตกับเราเราก็ใช้พุโทโธไปและบางคนอาจจะชอบอย่างอื่นก็ได้บางคนสามารถ ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นการสร้างสติขึ้นมาคือไม่ว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้จดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังทําอะไรกําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับกิจกรรมที่กําลังทําอยู่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่น ให้อยู่ในเหตุให้อยู่กับร่างกายเกาะติดอยู่กับร่างกายทุกทุกขณะทุกเวลานาทีไม่ให้ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจนั่งดูลมหายใจไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อันนี้เรียกว่าอนาปณะสติการดูลมหายใจ เวลาที่ไม่ได้นั่งเวลาดูการเคลื่อนไหวดูกิจกรรมของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติ mm hmm. ก็เป็นอุบายในที่จะใช้ในการหยุดความคิดต่างๆ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้ใจสงบเพราะความสงบของใจนี้สำคัญมากเพราะถ้าใจสงบแล้วใจจะมีความสุข mm hmm. ก็จะสามารถต้านความอยากได้ในระดับหนึง่ง แต่ยังไม่สามารถทำลายความอยากให้าหายไปได้ความอยากหรือกิเลส ต, ต่างๆนี้จะหายไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเ mm hmm. มื่อกี้เรายกตัวอย่างความอยากในอาหารถ้าเราอยากมีแฟนเราก็ต้องใช้อุบายของปัญญาที่เราอยากมีแฟนเพราะเราเห็นหน้าแฟนเราก็หลงหลาลงไคล้เพราะเห็นเราสวยงาม อยากจะอยู่ใกล้เขาเราก็ต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของหน้าตาเขาเช่นดูเวลาเขาแก่ดูเวลาเขาไม่สบายเนืดูเวลาที่เขาตายไปเน้ดูส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเขาเช่นหน้าตาเขานี่มีหนังหุ้มหออยู่เป็นเหมือนหน้ากากเราถอดหน้ากากออกแล้วจั หรือเราจะดูส่วนอื่นของร่างกายก็ได้ลองผ่าออกมาดูแยกออกมาดูภายใต้ผิวหนังที่หน้าอกนี้มีอะไรบ้างก็มีมีโครงซี่โครงมีกระดูกซี่โครงแล้วก็ภายใต้ซี่โครงนั้นก็จะมีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลาไส้ให้ดูส่วน ต่างๆที่มีอยู่ภายในของร่างกายถ้าเราเห็นส่วนต่างๆของร่างกายความหลงไหลข้างใครในในตัวของในร่างกายของเขาก็จะหายไปนี่เรียกว่าพิจารณาอสุภะให้ดูความไม่สวยไม่งามอย่าดูแต่ส่วนที่สวยงามเช่นหน้าตาผิวหนังผิวหนังนเวลาที่เป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังจะเต่งตึง ให้ดูภายใต้ผิวหนังเข้าไปและร่างกายของคนทุกคนมันมีอาการสาสิบสองด้วยกันไม่ใช่มีเพียงแต่ผมขนเล็บฟันหนังเอภายใต้ผมขนเล็บฟันหนังก็มีเนื้อเอ็นกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็น้ําต่างๆน้ําดีน้ำนํำเสลน้ําเหลืองน้ําเลือด น้ำเหงือ่อน้ำมันคข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อแล้วก็น้ำมูดนี่คืออาการ32ของร่างกายที่เรามองไม่เห็นกันเราเห็นเพียงแต่ผมขนเล็บฟันก็เลยหลงไหลคลังคลายากับผมขนเล็บฟันเราก็ต้องดูว่าผมขนเล็บฟันหนังนี้มันก็เปลี่ยนเวลามันแก่ มันก็เหี่ยวโยนผมก็ขาวงอกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหน้าตาก็บูมเบี้ยวไม่น่าดูเวลาตายไปยิ่งไม่น่าดูใหญ่ไปดูศพ บ, บ้างก็ได้แล้วเวลาเราเห็นร่างกายของใครที่น่ารักน่าชอบเราก็จะได้นึกถึงเวลาที่เขาเป็นซากศพมันจะทำให้เราหายหลงหายคลั่งใครแล้วก็จะทำให้เรา หยุดความอยากมีแฟนได้นราร ใ, ใช้ในการดูตัวเองกับการยึดยึดความเป็นตัวเองได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะก็สามารถทําลายความคิดหลงว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเพราะร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปเวลาตายไปมันก็จะกลายเป็นยินน้ําลมไฟไป ไม่มีในร่างกายนี้ไม่มีตัวเรามีแต่อาการสามสิบสองลองถามดูว่าส่วนไหนในอาการสามสิบสองเป็นเราบ้างผมนี่เป็นเราหรือเปล่าถ้าเราตัดมันทิ้งเรายังเรายังอยู่หรือเราหายไปกับผมใช่ไหมถ้าเราถอนฟันออกมานี่เราหายไปกับฟันหรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเราหายไปกับตับกับไตของเราหรือเปล่า นั้นถ้าเราค้นคว้าหาความจริงแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรในร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นเพียงอาการ32สองที่เราได้มาเป็นสมบัติชั่วคราวเอามาไว้ใช้ตอบสนองตันหาความอยากของเราความอยากของเรานี้ทำให้เรามีร่างกายเพราะเราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับอของแข็งของนุ่มของเย็นของร้อนก็ต้องมีร่างกาย พอร่างกายเก่าตายไปความอยากมีไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากมันอยู่ในใจใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายก็ต้องก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ดนั้นร่างกายของพวกเราคนนี้เป็นเพียงคนรับใช้ของเราไม่ได้เป็นตัวเราที่แท้จริงหรือตัวของคนที่เรารักเช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาก็ เป็นตัวรับใช้เขาเท่านั้นตัวเข้าจริงๆเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาเวลาที่ร่างกายเขาตายไปเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาก็ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าเราเข้าใจหลักความจริงกันนี้เวลาเวลาที่เราตายพัดพากจากกันเราจะไม่น้องหุ่มน้องให้เพราะเราจะรู้ว่าคนที่เรารักนี่เขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเข า, เาร่างกายนั้นเาาป็นคนรับใช้เขา ตัวเขาเองนี้ไม่มีรูปมีร่างเราไม่สามารถมองเห็นตัวเขาได้เหมือนกับเราไม่สามารถมองเห็นตัวเราได้เพราะตัวเรานี้ไม่มีรูปร่างตัวเราเหมือนความว่างความว่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันมันไม่มีไม่มีรูปมีร่างแต่มันเป็นตัวคิดตัวรู้ตัวจิตนี่เป็นตัวคิดตัวรู้ตัวที่สั่งให้ร่างกาย ทำอะไรต่างๆด้วยความคิดด้วยความอยากพอคิดอยากจะรับประทานอาหารมันก็สั่งให้ร่างกายไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตั้กับข้าวอาหารมารับประทานนัน่นคือตัวร้ายก็คือตัวจิตนี่แหละเจ้าค่ะที่เราจะต้องจับเขาให้ให้เข้าสู่ธรรมาให้ได้เขาจะได้มีการวาง สิ่งต่างๆเพื่อให้ง่ายคืได้เลยจ้ะค่ะก็ัวร้ายคือคือตัวจิตมันมันจะว่ามันร้ายก็ไม่ใช่หรอกแต่ตัวที่อยู่ในจิตคือตัวกิเลสเนี่ยตัวความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นตัวร้ายเราจึงต้องมาแก้ที่ตัวโลภโกรธหลงด้วยการใช้สติใช้สติหยุดจิตก่อนหยุดเพื่อสร้างความสุขให้กับจิต พอจิตมีความสุขแล้วก็จะได้สอนจิตว่าอย่าไปหาอะไรเลยเพราะว่าสิ่งต่างๆที่หานี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขมันสุขเดียวๆแต่มันจะทำให้เราติดและเวลามันจากเราไปมันจะทำให้เราทุกข์อย่ที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราเสียสิ่งที่เราเราชอบเรารักไปเวลาเราได้อะไรมาเราดีใจมีความสุข แต่พอเขาจากเราไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจฉะนั้นสอนให้เรามีความสุขในตัวเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆหาบุคคลต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพื่อเราจะได้หยุดความโลภหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะอยู่กับความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ถ้าเราไม่มีความสงบเราก็หิวเราก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ นายคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรามีความสุขในใจแล้วเราก็จะหยุดความอยากไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราได้เราก็จะอยู่ตามลาพังได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเราจะมีความสุขความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจและการใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติหยุดความคิดหยุดความอยาก แล้วก็ต้องใช้ปัญญาทำลายความอยากให้หมดไปเพราะความอยากนี้จะเป็นตัวที่จะมาทำลายความสงบเวลาเราออกจากสมาธิมานี่พอเราเผลอไปคิดถึงความอยากเรื่องที่ทาให้เราอยากใจเราก็จะร้อนขึ้นมาใจเราต้องกวลกวังวลกะสับกะสายต้องดิ้นรนไปเอาสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็ได้ความสุขเดียวเดียวได้รับประทานอาหารปั๊บหนึ่งก็มีความสุข เดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากอ ย, าาอย่างอื่นก็มาแล้วได้รับประทานอาหารแล้วทีนี้ก็อยากจะไปเที่ยวแล้วอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆความอยากต่างๆมันก็จะไหลามาอยู่เรื่อยๆถ้าเราทําตามความอยากอยู่เรื่อยๆเราก็จะเป็นทาตของความอยากฉะนั้นการดูจิตเฉยๆไม่พอต้องหยุดจิตหยุดความคิดทําจิตให้สงบ เพราะจิตสงบแล้วจะไม่หิวไม่ไม่หิวอาหารไม่อยากได้อะไรแล้วพอออกจากความสงบมาถ้ามันอยากได้อะไรก็ต้องใช้ปัญญาส้อนใจอยากได้แฟนก็ดูความไม่สวยงามของร่างกายของแฟนอยากได้อาหารก็ดูความสขโปลของอาหารอยากได้อะไรก็มองความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราอยากได้ได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไป เวลาได้มาก็ด <mister isation> vale. <S ilt> ีใจเวลาเสียไปก็เสียใจก็เราก็เดินเข้าหาความทุกข์เดินเข้าหาความเสียใจโดยใช่เหตุถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีอะไรจะเสียใช่ถ้าเราไม่มีแฟนเราก็จะไม่มีแฟนที่จะต้องเสียถ้าไม่มีสมบัติก็ไม่ต้องมีสมบัติที่จะต้องเสียถ้ามีอะไรก็ต้องเสียมันไม่ช้าก็เร็วเพราะเราก็ต้องตายเวลาตายก็เสียหมดเลยทุกอย่างเลย มีอะไรมากน้อยเท่าไหร่เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเป็นดาราภาพยนตร์เป็นนแบบนางแบบมีมีแฟนสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวนั้นที่สุดก็ต้องทิ้งมันไปนหมดเพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจาโลกของความชั่วข่าว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาที่เรามีอยู่นี่เป็นของชั่วคราวลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายนี้เป็นของชั่วคราวเพราะตาหูจมูกนิ้นกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บแลวต้องตายไปนั่นเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากของภายนอกใจเรามาหาความสุขภายในใจด้วยการทำใจให้สงบ ด้วยการทำใจให้ฉลาดไม่หลงไปกับความอยากต่างๆพอเราไม่หลงไปกับความอยากแล้วใจเราก็จะไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปดิ้่รนลนไปหาอะไรต่างๆแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องไปดิ้่รนลนไปถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยให้มันตายได้อย่างสบายเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วถ้าเรามีความสุขจากความสงบนี้เราไม่ต้อง ใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเพราะความสุขทางความสงบของใจนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเพะฉั้นพอเรามีความสุขทางใจแล้วไม่มีความอยากได้อะไรแล้วร่างกายนี้ก็ไม่มีความหมายกับเราตอนนี้ที่มันมีความหมายกับเราเพราะมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่เราจะต้องใช้ในการหาความสุข พอเวลาเราไม่สบายนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เวลาไม่สบายก็นอนในโรงพยาบาลนอนอยู่ในบ้านมีแต่ใจอยากให้มันหายเร็วๆหายแล้วจะได้กินได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้เที่ยวได้เล่นแต่ถ้าเรามีความสงบภายในใจเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเราก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมนี่คือเรื่องของการที่เรามา ปฏิบัติมาสร้างสติเพื่อมาหยุดความคิดต่างๆหยุดความอยากต่างๆชั่วคราวก่อนให้จิตเข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ความสงบหรืออย่างน้อยก็ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จะลืมเรื่องราวต่างๆไปแล้วเวลานั่งจิตก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขก็ไม่ต้องไปหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสแล้วถ้าอยากจะให้ความอยากหาความสุขหายไปอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบได้เสมอบางทีก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบแทนที่จะได้ความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ไป เสี่ยวมาให้ก็เสียอารมณ์อารมณ์เสียแล้วกินไม่ได้เพราะอยากจะกินข้าวผัดกต่ได้กว๋วยเตี๋ยวยิ่งรูปเสียงกิดร้อนนี่มันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์เวลาได้ยินเสียงคนเข้าชูสรรเสริญเยืนยอก็มีความสุขพอได้ยินเสียงเขาตำหนิตีเตียนกขาลหานนินทาก็มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปอยากได้ยินเสียง ชื่นชมยินดีเวลาใครเขาจะด่าเราก็จะเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้หาความสุขจากเสียงเราก็ฟังไปเท่านั้นเองใครจะชมก็ชมไปใครจะด่าก็ด่าไปแต่เราไม่ได้มีความปรารถนาที่จะหาความสุขจากเสียงชมแล้วเรา <S <S ก็จะไม่รู้สึกเสียใจเวลาโดนเขาดุ ด, ด่าว่าเก่า ถ้าใจสงบแล้วมันจะเฉยๆมันจะไม่เดือดร้อนที่มันเดือดร้อนเพราะมันยังมันไม่นิ่งมันอยากให้ได้ยินแต่เสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ไม่อยากจะฟังอันนี้คือเรื่องของการใช้ปัญญาให้เห็นโทษว่าสิ่งที่เราแสวงหากันนั้นมันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขมันอาจจะเป็นความทุกข์ตอนตอนปลายมันเป็นสุขตอนต้น เวลาแต่งงานใหม่ๆก็มีความสุขกันพออยู่กันไปสักระยะหนึ่งพอเห็นธาตุแท้ของกันและกันแล้วเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาต่างคนต่างเอาใจตัวเองตอนรู้จักกันใหม่ๆแต่งงานใหม่ๆก็เอาใจต่างเอาใจของกันและกันแต่พออยู่ไปนานๆเขาก็เริ่มเอาใจตัวเองพอเอาใจตัวเองมันก็จะเกิดการขัดใจกันเกิดการทะเลาะวิวาทกัน นลานำไปสู่การอย่าล้างกันไปในที่สุดให้พิจารณาถึงความไม่ไ ม, ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มันก็ทําให้เบื่อได้เห็นหน้าตากันซ้ําๆำซากๆบ่อยๆก็เบื่อได้อยากจะไปหาหน้าตาใหม่ๆก็มีเดี๋ยวก็แอบไปหาหาอีกคนหนึ่งอีกบ้านหนึ่ง บ้านนี้เบื่อก็เลยไปหาบ้านนู้นมาบ้านนี้ก็โดนบน่นโดนด่าอยู่เอยไปอีกบ้านดีกว่าบ้านใหม่นี้มีแต่คำชมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พออยู่บ้านเก่านี้กลับมาก็โดนด่าไปไหนมาไม่สนใจใยดีอะไรเลยนะ <c oughs> ก็ไปหาบ้านใหม่ดีกว่านี่คือความสุขทางทางร่างกายเป็นอย่างนี้มันจะมีความทุกข์ตามมา เราต้องพยายามทําใจให้สงบให้ได้เพราใจสงบแล้วจะมีความสุขจะทําให้เราไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขในใจเราเนี่ยเรายัางไงก็เอาละถึงแม้จะมีทุกข์ก็ยอมทุกข์ละตอนต้นขอให้มันสุขก่อนก็แล้วกันขอให้แต่งงานกันได้ก่อนแล้วจะมาหยากกันทีหลังค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วมันเหงามัน ว, าว้าวเเ คนที่มีความอยากมากๆนี้อยู่คนเดียวไม่ได้มันจะเหงาจะว้าเวแต่ถ้าคนมีความอยากน้อยก็อยู่ได้คนที่มีความสงบพอสมควรถึงแม้จะไม่สงบเต็มที่ก็อาจจะถูถ่ยอยู่อยู่ตามลําพังดีกว่าดีกว่าไปอยู่สองคนเพราะบางคนเขาก็คิดเป็นเขาคิดว่าอยู่คนเดียวเป็นอิสระฮะพอไปอยู่สองคนกลายเป็นลูก กลายเป็นลูกจ้างกันแนละ้วเป็นจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตกันก่อนนะจะไปคนเดียวไปทําอะไรตามตามอธัธยาศัยไม่ได้นะจะต้องไปด้วยกันหรือไม่ก็ต้องขออนุญาตไปเมื่อก่อนเป็นเจ้านายของตัวเองพอมาเป็นคู่กันแล้วกับกยายจะต้องมาเป็นขี้ข้ากันเขาก็ต้องมาขออนุญาตเราเราก็ต้องไปขออนุญาตเขาถ้าคิดอย่างนี้เป็นมันก็อยู่คนเดียวดีกว่า ปีนี้แล้วถ้าไม่มีลูกยิ่งสบายใหญ่ถ้ามีลูกก็ยิ่งต้องมามีภาระเลี้ยงดูเองลูกนี้ก็เป็นเหมือนเจ้าหนี้มาทวงหนี้เราเนยเงินทองที่เราหามาได้เท่าไหร่นี้ต้องไปให้ลูกหมดนะลูกคนหนึ่งเลี้ยงขึ้นมากว่าจะโตนี้หมดไปกี่แสนกี่ล้านเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มามามาทวงหนี้และถ้าไม่มีลูกเราก็ไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปจ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านให้กับลูกนะ คิดแบบนี้คิดทางปัญญาต้องคิดให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่อยากเลิกความอยากเลิกความโลภได้ถ้าไม่มีความโลภก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธเกิดจากความโลภเวลาโลภอยากได้อะไรไม่ได้ก็โกรธเวลาขออะไรแล้วเขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขา ถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธเขาแล้วความโลภก็เกิดจากความหลงความหลงที่ว่าคิดว่าความสุขอยู่ที่คนนั้นคนนี้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสแต่ความจริงมันเป็นความทุกข์เราไม่รู้กันแต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเป็นของชั่วคราว เวลามันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ไปแล้วก็ต้องดิ้นรนหาใหม่หามาหามาได้เท่าไหร่ก็มันหมดไปเท่านั้นอย่างชาตินี้หาไปเถิดราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสไปเดี๋ยวพอตายไปก็หมดไเอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาไปแต่ความรู้ความอยากที่ยังไม่หมดไปกับการที่ได้สิ่งต่างๆมาไม่ได้หมดไปกับความตาย เมื่อมีความโลภความอยากก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาทำอย่างที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ใหม่ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติท่านเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดและก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ต้องแวะไปใช้บุญใช้กรรมก่อนถ้าทำบุญบุญมีผลมีกาลังมากกว่าบาปก็ไปรับผลบุญถ้าเป็นผลบุญก็ไปเหมือนไปท่องเที่ยวในในโลกทิพย์ โลกทิพย์มีแต่ความสุขสวรรค์เนี่ยสวรรค์ น, นี่เป็นที่ให้ความสุขกับใจจะได้เห็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อะไรต่างๆเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันดีฝันว่าไปที่นู่นที่นี่ไปทํานู่นทนํานี่ได้ดูได้ฟังได้เด่นได้รับประทานอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นโลกของความฝันโลกทิพย์นี่ก็เป็นโลกของความฝันของใจ ถ้าฝันร้ายก็แสดงว่าไปรับผลบาปฝันว่าถูกเขาจับมาเขี่ยนตีถูกเขาจับมาทิ่มแทงตัดแขนตัดขาทำร้ายอะไรต่างๆนี่แสดงว่าไปรับผลบาปเพราะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราอาจจะทำบาปมาทำร้ายผู้อื่นทำร้ายสัตว์พอเวลาที่นอนหลับก็เหมือนกับตายไปชั่วคราวมันก็จิตมันก็จะ สูกอิทธิพลของบาปที่ทำไว้ส่งผลขึ้นมาให้เราฝันร้ายแล้วถ้าเวลาตายจริงมันก็จะฝันร้ายไปยาวจนกว่าจะบาปจะหมดกำลังเมื่อบาปหมดกำลังแล้วมันก็จะปล่อยให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาดิ้นรนหาความสุขแบบมนุษย์ใหม่ถ้าหาแบบทำบาปมันตายไปก็ต้องไปใช้บาปถ้าหาแบบไม่ทาบาปก็ไม่ต้องไปใช่บาป หาแบบทำบุญมาหาความสุขแบบทำบุญเช่นวันนี้เรามาหาความสุขด้วยการมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเราก็สะสมบุญไว้พอตายไปบุญก็จะส่งให้เราไปสวรรค์แล้วถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติสร้างบุญขั้นสูงสุดได้คือ บุญที่หยุดความอยากหยุดความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นนิพพานเป็นสวรรค์ที่มีความสุขเต็มร้อยและเป็นความเป็นสวรรค์ที่ถาวรไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะเหตุที่ทําให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ถูกทาลายด้วยปัญญาก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้ ที่เป็นตัวฉุดรากให้ใจกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆีนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญสติสมาธิปัญญาได้เราก็จะมีเครื่องมือซักพอกกำจัดโรคความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็จะได้ไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะมาฉุดรากใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป แต่ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นอื่นเช่นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี้ยังยังไม่เรายังไม่สามารถทําลายความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปได้เยงแต่ทําให้มันอ่อนกําลังลงไปเท่านั้นด้วยกําลังของศีลของทานของสมาธิสิ่งที่จะทําลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปได้ต้องเป็นปัญญาและปัญญานี้ก็จะมีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะว่าไม่มีใครรู้วิธีที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่เห็นว่าการทําตามความอยากทําตามความโลภนี้เป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจกันไม่ใช่สุขใจกันเวลาเราอยากได้ใจเราสบายไหมใจเราจะกังวลแลจะวิตกอยากจะได้ลานี้มันจะไม่สงบ จนกว่าจะได้พอได้ก็สงบเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวความอยากตัวใหม่โผล่ขึ้นมาพอได้นี่แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้นั่นต่อละอยากไปได้เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เราต้องดินนอนหาอะไรตามตามความอยากไปเรื่อยๆแล้วหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรง ตัดเจริ้หรือส่งค้นพบว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเองจะอยากจะดับความทุกข์อยากจะให้มีความสุขก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข uh. พอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ได้เห็นว่าการรับประทานอาหารตามความอยากนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเราก็หยุดมัน ถ้าการมีแฟนนี่เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแล้วก็หยุดมีแฟนเราก็ไม่ต้องจะไปไม่ต้องไปทุกข์กับแฟนอีกต่อไปอันนี้คือ ป, ปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้นานๆจะมีคนที่มีปัญญาแบบนี้มาสอนพวกเราสักครั้งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะมีตลอดไปพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์นี้มีอายุไม่ ไม่ถาวร อ, อย่างของเรานี่พุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าประมาณ 5,000 ปีตอนนี้ก็มาเลยครึ่งหนึ่งละ2พัน้าอยกว่า ป, ปีแล้วแล้วอีก2อ0พัน้า้อยกว่าสองพันสี่รกว่าปีมันก็จะหมดหมดก็คือไม่มีใครศึกษาไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครบรรลุไม่มีใครเอาความสอนนี่มาเผยแผ่สั่งสอนได้ก็จะไม่มีใครรู้จักวิธีกำจัดความโลภความโกรธความหลง ก็จะต้งเวียนไหวาตายเกิดกันไปอยู่เรื่อยๆไปจนกว่าจะไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาปรากฏให้โลกได้กราบไหวบูชาได้เป็นศาสดาได้สั่งได้สอนเราไม่สามารถที่จะวัดได้ด้วยตัวเลขที่เราเขียนกันอยู่นี่ยั้นขอให้พวกเราเมีความภูมิใจว่าเราได้มาพบกับปัญญาของพระพุทธเจ้า และ้จะทําให้้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้ไปอยู่สถานที่มีแต่ความสุขตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่ขณะเดียวคือพันธิพา น, านคือจิตที่สงบที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่เรียกว่านิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราเนี่ยจิตที่เราเฝ้าดูอยู่เนี้ แต่ตอนนี้จิตที่เราเฝ้าดูมันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงเวลามันโลภทีไรทีไรมันก็ทําให้เราใจสั่นไปทุกทีเวลากโกรธใจเราก็สั่นเวลาหลงใจเราก็สั่นแต่ถ้าเรากำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้แล้วใจเราจะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายจะมีความสุขตลอดเวลาไม่สั่นกับเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้เรายังสั่นกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ ยังสั่นกับอาหารรูปของอาหารกลิ่นของอาหารอยู่พอได้กลิ่นปั๊บนี่ใจสั่นเลยไม่เชื่อลองถือศีลแปดดูเลองอย่า ก, กินข้าวเย็นดูแล้วตอนเย็นๆชาวบ้านเพื่อนบ้านเขาทำอาหารกลิ่นอาหารโชยมาเนะี่ยดูซิว่าใจจะสั่นไม่สัน่นสั่นด้วยความอยากแยาคนที่ฝึกแล้วไม่ไม่กินอาหารเย็นได้แล้วต่อไปก็จะทุสึกเฉ ย, เฉย พอหยุดความอยากกินได้แล้วต่อไปมันเห็นอาหารมันก็จะเฉยๆถ้ามันอยากก็คิดนึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากนึกถึงอาหารที่เราขับถ่ายออกมามันก็จะหายอยากนี่คือปัญญาที่ไม่มีใครสอนนอกจากพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของการดูจิตต้องดูแบบนี้ไม่ใช่ดูเฉยๆถ้าดูเฉยๆก็มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คามโลภความโกรธความหลงมันไม่ได้ตายไปจากการที่เราดูเฉยๆเราต้องหยุดมันต้องทำลายมันด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉน้นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของการดับความทุกข์หัวใจของการสร้างความสุขที่ถาวรที่แท้จริงอยู่ที่การเจริญสติสมาธิปัญญา และการสนับสนุนของการทําบุญทําทานและการรักษาศีลผู้ที่จะปฏิบัติทําได้จะต้องทําบุญทําทานให้ได้ก่อนรักษาศีลให้ได้ก่อนถ้าสละทรัพย์สมบัติไม่ได้ก็มาบวชไม่ได้คนที่จะมาบวชนี้ต้องสละทรัพย์สมบัติเท้าของไป็นบแล้วก็มารักษาศีลเพื่อให้กายกระจายกายกวาจะไม่พูดไม่กระทําอะไรที่เป็นโทษเป็น เป็นเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็มาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดแล้วก็จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใจก็จะอยู่ในนิพพานสวรรค์ชั้นสูงสุดนั่นก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติ ปฏิการปฏิบัติเท่านั้นจะทำให้เกิดผลขึ้นมาการฟังเพลงอย่างเดียวนี้ยังไม่เป็นผลแต่การฟังนี้เป็นเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเราก็จะไม่ได้รับผลอยู่ดีเ้นต้องฟังก่อนฟังแล้วก็นาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลที่เราต้องการ ยังก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร <c oughs> ออก็อยากจะถามปัญหาก็ลองส่งข้อความมา <c oughs> แต่เวลาถามปัญหาคุณต่อต้องเสียงดังๆหน่อย <c oughs> นะเดี๋ยว <c oughs> เขาจะไม่ได้ยินคำถามครับมีคำถามแรกครับจากคุณกรกะหนกทองนะครับ เมื่อเราเผชิญกับความกลัวควรปฏิบัติอย่างไรคะเช่นกลัวผีที่เขามารบกวนเราคือการปฏิบัติกับความกลัวหรือความอยากต่างๆก็มีสองวิธีวิธีของสติกับวิธีของปัญญาวิธีสตินี้จะง่ายกว่าวิธีของปัญญาเพราะว่าเวลาเรากลัวอะไรก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปให้ใจเกาะติดอยู่กับพุโทโธหรือจะสวดมนต์ไปก็ได้ อย่าให้ใจเราส่งไปหาสิ่งที่เรากลัวพอใจเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่ไปคิดถึงสิ่งที่ทาให้เรากลัวความกลัวก็จะหายไปความสงบก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่วิธีแต่เป็นความแก้แบบชั่วคราวเหมือนทายาหมองยังไม่หายขาดถ้าอยากจะให้มันหายแบบไม่กลัวตะไม่กลัวอีกต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่จะทา สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือแค่ความตายเท่านั้นเองอะไรก็ตามที่จะมาทําร้ายเรามันก็ทําร้ายได้แค่ร่างกายของเราเท่านั้นเองแล้วร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายถ้าถึงเวลาตอนนี้มันจะต้องตายก็ยอมตายเสียเถอดนะถ้ายอมตายแล้วมันก็จะหายกลัวแล้วมันจะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วมันไม่ต้องใช้พุทโธไม่ต้องใช้อะไรเท่านั้น เพราะความกลัวนี้มันก็กลัวความตายนี่แหละไม่ได้กลัวอะไรหรอกคนเราเมื่อเกิดมาแล้วไม่มีใครอยากจะตายกันแล้วพอเราคิดว่าอะไรจะมาทำให้เราตายเราก็จะกลัวยังถ้าเรายอมตายแล้วเราแค่ไม่กลัวอะไรต่อไปอันนี้ก็เป็นสองวิธีด้วยกันวิธีแก้ความกลัวคำถามข้อต่อไปจากคุณหมอมิ้งนะครับทำไมจึงไม่อยากให้มนุษย์นั้นรู้อดีตชาติของตนเอง ทำไมต้องไม่อยากทำไมต้องไปอยากมันด้วยจะรู้หรือไม่รู้ก็มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครเป็นคนไม่อยาก่ะตัวเขาเองเลเ อ, อไม่แน่ใจครับแต่เป็นคำถามจากเขาครับคือการปฏิบัตินี้เราไม่ต้องการที่จะไปบรรลุยานว่าเราชาติก่อนเป็นอะไรมาอย่างไรเพราะการรู้อดีตมันก็ไม่ได้มาแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน คือความโลภความโกรธความหลงนี้มันไม่ตายไปจากการที่เราไประลึกชาติได้ความหมายเป็นอย่างนี้เฉะนั้นผู้ปฏิบัตินี้บางคนไม่ระลึกชาติไม่ได้แต่บรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ไม่จําเป็นจะต้องระลึกชาติได้ขอให้รู้จักวิธีฆ่ากิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจเท่านั้นก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้แล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือการฆ่ากิเลสตัณหาเพราะมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้กับเรา แต่การระลึกชาติด้านนี้จะไม่สามารถมาฆ่ากิลเลสตัณหาได้ฉะนั้นบางคนก็ระลึกชาติได้บางคนก็ไม่ได้การระลึกชาติด้านนี้มันอยู่ในระดับของสมาธิจิตของบางคนพอจิตสงบแล้วก็สามารถที่จะมีความสามารถพิเศษบางทีก็ระลึกชาติได้บางทีก็ไปอ่านใจของคนอื่นได้คนอื่นกําลังคิดอะไรนี่เหมือนกับเราเรามีรับเครื่องรับสัญญาณความคิดของเขาะ ความรู้แบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดลฉานวิชาคือเป็นความรู้ของเดรลฉานไม่ใช่เป็นของความรู้ของพระอริยเจ้าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาดับความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้นี้ไม่ดีอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของความโลภความโกรธความหลงก่อนที่ทํานายทายทักได้ก็อาจจะไปทําอาชีพหมอดูเพื่อจะได้หาเงินหาทองมาเลี้ยงกิเลสเนี่ย แทนที่จะเอาความรู้นี้มาฆ่ากิเลสก็ฆ่าไม่ได้สิ่งที่จะฆ่ากิเลสได้ก็คือความว่างความสงบความเป็นอุเบกขาของใจอันนี้จะมีกําลังต้านกิเลสแต่ยังฆ่าไม่ได้สิ่งที่จะฆ่าต้องเป็นปัญญาต้องเห็นว่าการทําตามความโล้เป็นการนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่ความสุขเน้นไม่ต้องไปอยากถ้าเรารู้เรามี ความสามารถที่จะเลาลึกชาติได้ก็ให้รู้ฉเฉพาะตัวเราให้รู้ว่าเหมือนกับเราจำได้ว่าเมื่อวานนี้เรากินอะไรท่านั้นเองหรือว่าจะเอามาเป็นเครื่องเตือนสติก็ได้ว่าเนี่ยที่เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ น, นี้ก็เพราะว่าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากอ ย, กอยู่ถ้าเราไม่จไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่เราได้กระทามาในอดีตเราก็ต้องมาทาใจให้สงบทาใจให้ว่างเป็นอุเบกขา แล้วออกจากความว่างมาออกจากความสงบมาก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเพื่อเราจะได้หยุดความโลภความอยากต่างๆได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปมีอีกไหมมีครับคําถามข้อต่อไปจากคุณพรนะครับแต่คําถามค่อนข้างไม่ชัดเจนนะครับจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับการมีอะไร มากระทบร่างบ่อยๆเพราะสาเหตุเกิดจากอะไรเจ้าคะคือเวลาที่เราไปสัมผัสรับรู้อะไรเนี่ยแล้วใจเราสะเทือนก็เพราะกิเลส ข, ของเราเพราะความรับความชังที่เรามีอยู่พอเราสัมผัสกับอะไรที่เราชอบใจเราก็สบายมีความสุขพอไปสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็สะเทือนใจขึ้นมา เนี่เราต้องพยายามทําใจให้มันปราศจากความรักความชังเนี่ยเราถึงต้องทําสมาธิกันเพราะเวลาใจสงบแล้วจะมีอุเบกขาอุเบกขานี้ก็คือสภาพของใจที่ว่างจากความรักความชังความกลัวความหลงพอออกจากสมาธิมาใหม่ๆได้ยินได้ฟังอะไรสัมผัสรับรู้อะไรใจจะเฉยๆแต่มันจะอยู่ไม่ได้นานเพราะมันเหมือนน้าเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นพอเราเอาจากตู้ใหม่ๆมันก็เย็น ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะหายเย็นอุเบกขาก็เหมือนกันออกมาใหม่ๆมันจะเย็นมันจะเฉยแต่สักพักเดี๋ยวมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเพราะกิเลสมันเริ่มมีกําลังมันจะเริ่มรักเริ่มชังขึ้นมาความหลงจะทําให้เกิดความรักความชังขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใจสะเทือนเวลาเห็นอะไรพอจะรักก็บอกว่าอย่าไปรักพอจะชังอะไรก็สอนว่าอย่าไปชังเราห้ามเขาไม่ได้ เขาจะดีเขาจะชั่วนี่เราไปทําอะไรเขาไม่ได้เราทําใจเราให้เฉยเฉยเนะี่ยดีที่สุดแล้วเราจะไม่สะเทือนใจเวลาที่เราเจอเขาอันนี้เรื่องของปัญญาหรือถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติช่วยประคับประคองอุเบกขาไปก่อนก็ได้พอเห็นอะไรที่จะทําให้เราสะเทือนใจก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วความสะเทือนใจนะั้นมันก็จะหายไปหรือไม่ใช่นั้นก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ เรากลับมาจะมาทะเลาะกับแฟนก็ไม่เอาดีกว่ากลับไปเข้าห้องน้ำไปนั่งสมาธิดีกว่าดีกว่ามานั่งทะเลาะกันนใจก็จะหายสะเทือนหรือว่าถ้ากลับออกมาเจอเขาจะทะเลาะกันเขาจะทะเลาะกับเราเราก็เฉยเฉยเถอะปล่ให้เขาพูดให้พอเขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะอะไรก็ฟังไปเรื่อยๆสักแต่ว่ารู้ไปใจเราอย่าไปตอบโต้เดี๋ยวเ้าเหนื่อยเขาก็หยุดเองถ้าเรามีอุบเบกขาเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เดือดร้อนเวลาใครเขาว่าอะไรเรา เราจะชอบใช่อยู่เฉยๆสบายกว่านั่งเฉยๆฟังมันสบายกว่าไปเถียงกับเขาอะไปเถียงไปด่ากันเหนื่อยกว่าใช่ไถ้าเรานั่งเฉยๆฟังก็ได้ดสีสบายจะตายไหเอาอยากจะว่าอะไรว่ามาจะฟังให้พูดไปให้เต็มที่เลยวันนี้จะฟังเทศเท่าหน่อยคิดเสียว่าเป็นการฟังเทศไปก็แล้วกันเขาอยากจะเทศจะพูดอะไรก็ปล่อยก็พูดไปเรามีหน้าที่ฟังก็ฟังไป พอจบแล้วถ้าเราไม่เอามาใสา่ใจเรามันก็หายไปหมดแล้วถ้าเราไม่เอามาคิดอีกทีมันก็มาหายไปหมดแล้วถ้าใจเราว่างใจเราเป็นอุเบกขานี่มันจะไม่มีอะไรค้างใจมันเหมือนกับน้ํากับใบบวัวเนี่ยมันจะไม่ซึมซับกับหากันแต่ถ้าใจไม่มีอุเบกขานี่เหมือนกระดาษซึมพอหยดน้ําไปปั้มมันจะดูดกันเข้าไปเลยพอได้ยินอะไรปั้มมันจะดูดเข้าไปในใจเลยจะโกรธขึ้นมา ท, าทันทีจะเสียใจขึ้นมาทันที แต่ถ้าใจมีอุเบกขาที่มันเป็นเหมือนแผ่นพลาสติกนียหยดน้ำเข้าไปยังไงมันก็ไม่ซึมเข้าหากันเราต้องพยายามสร้างอุเบกขานี้ขึ้นมามากๆแล้วเราจะสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมในล า, าบยุลาบยศสรรเสริญสุขก็จะรู้สึกเฉยเฉยเจริญก็เฉยเสื่อมก็เฉยเพราะใจไม่ได้ไปติดกับความสุขจากการได้ราบยศสรรเสริญแล้ว ใจ ม, มีความสุขจากความสงบก็พอแล้วคํนะาถามต่อไปคําถามข้อต่อไปจากคุณแอนนะครับครั้งหนึ่งเคยนั่งปฏิบัติเมื่อเกิดเวทนาได้กําหนดที่ความปวดนั้นจนความปวดนั้นหายไปตอนที่หายนั้นมันคล้ายๆกับมีคําพูดว่าสังขารสังขารเป็นกองแห่งทุกข์แล้วความปวดนั้นมันค่อยๆ เพื่อนหลุดหายไปจากปลายเท้าสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรและควรทำอย่างไรคือใจเห็นความจริงไงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์มันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปฝืนมันไม่ได้พอเรายอมเ่าพอเราไม่ฝืนมันยอมให้มันเจ็บความเจ็บมันก็จะคลายไปที่มันที่มันรู้สึกเจ็บรุนแรงเพราะว่าเราไปอยากให้มันหาย ที่มันรุนแรงมันไม่ได้รุนแรงที่ร่างกายมันุนแรงที่ใจเราเองใจความจริงความเจ็บมันนิดเดียวแต่พอเราอยากจะให้มันหายมันก็เลยกลายมันรู้สึกว่ามันเจ็บใหญ่โตขึ้นมาแต่พอใจเรายอมรับว่าร่างกายนี้สังขารนี้มันเป็นเป็นทุกข์มันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอยอมรับความจริงอันนี้ใจก็หยุดความอยากให้ความเจ็บหายไป พอไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปความทรมานใจก็จะหายไปเหมือนก็จะทําให้รู้สึกว่าความเจ็บทางร่างกายนี้เบาเนื้อหายไปเลยพอมันความเจ็บส่วนใหญ่มันเกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปใช่ไหมโดยปกติพอเกิดความเจ็บขึ้นมานี่เราอยากอยาให้มันหายพออยากก็มันยิ่งทรมานใจเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราเฉยเฉยเช่นเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอบอกจะฉีดยาเนี่ยถ้าเราทําใจเฉยเฉยมันก็จะไม่เจ็บมาก แต่พอเราไปต้านไม่อยากจะฉีดนี่โอ้โหมันจะรู้สึกเจ็บมากขึ้นมายังไม่ทันฉีดเลยเพียงแต่หมอบอกว่าจะฉีดนะนะมันทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้วแต่ถ้าเราทำใจให้เฉยๆได้ว่าฉีดก็ฉีดเนี่ยมันก็จะเจ็บนิดเดียวความเจ็บส่วนใหญ่อยู่ที่ใจที่อยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะไม่เจ็บนี่อันนี้เราต้องสอนใจว่าหนีไม่พ้นความเจ็บของร่างกายเมื่อถึงเวลาเจ็บก็ทาใจสู้มันดีกว่า ทำใจดีสู้เสือไปทาใจให้เป็นอุเบกขาไปพุโทโธพุโทโธไปทาใจให้มันนิ่งแล้วมันจะไม่เจ็บมากคำถามข้อต่อไปจากคุณสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนะครับเป็นผู้หญิงอยากสลักทุกอย่างออกบวชแต่ติดตรงยังไม่พบสถานที่ที่จะเหมาะแก่การไปบวชพระอาจารย์มีอะไรแนะนำบ้างคะมีสถานที่แนะนำบ้างไหม ก็ลองหาใน Google ดูเนี่ยมีวัดทั่วไปในประเทศไทยน้องเยอะแยะลองใส่เข้าไปสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะมีโพล ข, ขึ้นมาให้เราไปหาได้เยอะแยะไปหมดเลยคำถามข้อต่อไปจากคุณเริ่มต้นใหม่ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วมีเสียงดังร่างกายก็สะดุ้งแสดงว่ายังไม่เป็นสมาธิใช่ไหมครับ ยังยังไม่สงบถ้าสงบแล้วมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยทุกอย่างจะนิ่งจะเงียบหมดคำถามข้อต่อไปจากคุณโลตัสแทนนะครับเวลาที่ผมสวดมน์วงเล็บในใจหรือบริกรรมพุทโธในใจพอสงบเล็กน้อยจิตก็จะเห็นอะไรบางอย่างกระเพื่อม<อ>คำว่าพุทโธออกมาหรือตอนสวดมน์ก็จะเห็นอะไรบางอย่างกระเพื่อง ออกมาเป็นบทสวดพระอาจารย์ครับตัวที่กระเพื่อมออกมาเป็นคํคๆกับตัวที่ไปคอยรู้อาการกระเพื่อมนั้นคืออะไรก็ตัวกระเพื่อมก็เรียกว่าตัวอาการของจิตตัวที่ไปรู้ก็คือตัวจิตตัวผู้รู้การปฏิบัติที่ถูกต้องก็อย่าไปสนใจมันให้เราอยู่กับคำบริกรรมต่อไปอยู่กับการสวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าอาการกระเพื่อมแลอะไรต่างๆหายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว เราต้องการเข้าไปให้ถึงตัวรู้ตัวเดียวถ้ายังมีอาการกระเพื่อมอยู่แสดงว่าจิตยังไม่สงบก็สวดต่อไปบริกรรมต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆนอกจากอาการกระเพื่อมอาจจะมีแสงมีเสียงมีสีมีอะไรมีความรู้สึกอะไรก็ตามอย่าไปให้ความสำคัญกับมันให้ความสำคัญอยู่กับคำบริกรรมพุทโธอยู่กับการสวดบทสวดมนต์ไปจนกว่าจิตจะวุบลงไปแล้วก็เน่งสงบ แล้วทุกอย่างหายไปหมดจิตเย็นสบายมีความสุข mm hmm. ก็ให้อยู่ตรงนั้นไปจนกล่ามันจะถอนออกมาคำถามข้อต่อไปจากคุณกิตตวันนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับศีลนะครับสมัยนี้คนมีแฟนและมีกิก๊กพร้อมกันโดยที่แฟนและกิ๊กต่างก็รู้จักกันยังไม่ได้แต่งงานกันมีความสัมพันธ์การฉันผัวเมียทั้งแฟนและกิ๊กจะผิดศีลข้อกาเมหรือเปล่าคะ พ้อการเมนี้โดยหลักทั้งก็หมายถึงผัวเดียวเมียเดียวหรือ แ, แฟนคนเดียวไม่ให้โลภมากเพราะความโลภมากนี้มันมกักลาบมักจะหายดีไม่ดีเดี๋ยวแฟนสองคนโกรธเราก็เลยเลิกเราทั้งสองคนเลยเลยจะไม่ได้สักคนหนึ่งยังให้ให้รักให้มีรักเดียวใจเดียวแล้วจะมีความสุขวามีหลายใจเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องความไม่พอใจเกิดขึ้น แลเดี๋ยวดีไม่ดีจะถูกเขาฆ่าตายก็ได้แทนที่จะมีความสุขจากการมีแฟนก็อาจจะกลายเป็นโทษขึ้นมาแตนโดยหลักของกาเมยก็คือให้มีรักเดียวใจเดียวให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันเพราะมนุษย์เหล่านี้ยังต้องเสพกรามกันอยู่แล้ววิธีจะเสพกรามอย่างมีความสุขก็ต้องมีแบบรักเดียวใจเดียวเพราะว่ามนุษย์นี้มีปัญญาที่จะเห็นโทษของการมีหลายใจ เหมือนสัตว์ในราชานี้เขาไม่มีไม่มีปัญญาเขาก็จะเสบกันไปหลายแล้วแต่เจอใครเมื่อไหร่เขาก็จะเสบแล้วมันก็จะมีลูกมีหลานออกมากันเต็มไปหมดเนั่นก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับการเป็นมนุษย์ที่มีสีมีรักเดียวใจเดียวมีคู่ครองคนเดียว แล้วก็ต้องมีความซื่อสัสตย์ต่อกันสีลข้อสามนี้จะบังคับให้เรามีความซื่อสัสตย์ต่อคู่ครองของเราแล้วเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจมีเพื่อนที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะเลี้ยงดูกันดูแลกันช่วยเหลือกันไปจนถึงวันตายเราต้องมองระยะไกลสมัยนี้เราชอบมองกันระยะสั้นๆอยากจะหาความสุขแบบเร็วๆง่ายๆไวๆ พอเจอใครที่ไหนก็เอาเลยเนี่ยเหมือนกับพวกหมาเลยเหมือนเดือนเก้าเนี่ยพอเจอตัวไหนปั๊บมันก็มันก็จะเอากันเลยเเอาเสร็จแล้วมันก็ทิ้งกันเลยไม่มีการที่จะไปเดวแลไปดูแลคุ้มครองรักษากั น, mm hmm. นเราต้องมองว่าการมีคู่ครองนี้มันเป็นเรื่องของการดำรงชีพของมนุษย์ที่จะมี การช่วยเหลือดูแลกันมีความเมตตากันมีเพื่อนที่จะอยู่ร่วมกันไปจนถึงวันตายคำถามข้อต่อไปจากคุณพามิเลียนะครับนั่งสมาธิแล้วตัวโยกรุนแรงมากแต่มีความรู้สึกว่าตัวโยกแต่จิตยังสงบอยู่อาการแบบนี้ทำสมาธิถูกหรือผิดวิธีประการใดคะผิดแล้วหละถ้าตัวโยกจิตมันไม่สงบหรอก เพราะตัวที่ทำให้จิตตัวให้ร่างกายโยกก็คือตัวจิตนี่แหละร่างกายนี้มันจะโยกของมันเองไม่ได้นะมันต้องมีตัวจิตไปโยกมันแสดงว่าเราไม่มีสตินั่งแบบไม่มีสติแล้วก็ปล่อยให้ไปบางทีบางคนก็โยกบางคนก็สั่นเหมือนเหมือนผีเข้าเหมือนอย่าเหมือนเจ้าเข้าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความสงบการปารการปฏิบัติให้จิตสงบจริงๆร่างกายต้องนิ่ง นิ่งตั้งแต่เริ่มต้นไปเลยเพราะเรานั่งอยู่ในท่าไหนมันก็จะอยู่ในท่านั้นแล้วจิตก็มีสติควบคุมไปเดี๋ยวมันสงบทุกอย่างมันก็จะนิ่งไปเองงั้นถ้าโยกก็แสดงว่าเราต้องมเมาสติมาคุมร่างกายก่อนอย่าให้มันโยกต้องหยุดหยุดการโยกของร่างกายก่อนเมื่อร่างกายหยุดโยกแล้วเราก็มามาทาที่จิตต่ออีกทีนึ่ง คำถามข้อต่อไปจากคุณชุติการนะครับหนูบริกา ร, รพุทธโทแล้วกิจส่งออกบ่อยมากเลยค่ะบอกที่ในใจบริการพุทธโทแต่สมองมันก็คิดออกไปข้างนอกพอดึงกลับมาก็เป็นอีกทำอย่างไรดีคะเหมือนหนูพูดพุทธโทในใจแต่มันก็ออกไปปรุงเรื่อยเลยเวลาเริ่มต้นใหม่ๆนี่ความคิดนีกาลังมากมันจะไม่หยุดทันที มันจะแข่งกับพุโทโธไปเหมือนการชักกระเยอะกันเขาก็ดึงไปเราก็ต้องดึงมาเห็นเวลาเราพุโทโธพุโทโธไปยังมีความคิดแทรกเข้ามาเราอย่าไปสนใจเราก็จดจ่อยอยู่กับคำบากรรมพุโทโธของเราไปเรื่อยๆต่อไปพุโทโธของเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นความคิดมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปได้แต่เมื่อเวลามีก็อย่าไปสนใจพยายามเกาะติดอยู่กับคาบาลีคำพุโทโธของเราไปเรื่อยๆ เหมือนกันแข่งกันอะ่ะเขาจะคิดก็ปล่อยก็คิดไปเราก็จะพูดโทของเราไปถ้าเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปพระอาจารย์ครับบางคําถามไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอลองดูก็ได้ลองถามดูว่าคุณโคโคลาโคว่านะครับถ้าแฟนของเราแอบสนทนากับคนอื่นหลวงพ่อแนะนํำหน่อยครับ ก, ก็เขาเป็นคนอะ่ะเขาก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงมีคนที่เขาจะต้องพูดคุยบ้าง ทำธุรกิจบ้างมีอะไรธุรปะปราปางบ้างเราก็ต้องทำใจให้กว้างๆคือเราต้องต้องเชื่อใจเขาว่าเขาซื่อสัตย์แต่ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์เราก็เลิกกับเขาไปซะถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันถ้าคิดว่าเขาจะไปมีความรักกับคนอื่นก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องเลือกคนที่เราคิดว่าเขาจะ ซื่อสัตย์กับเราแต่เราก็ต้องใจกว้างไม่ใช่ว่าจะไม่ให้เขาพูดกับใครเลยเขาก็จะให้มาพูดกับเราคนเดียวได้ยังไงเพราะเขาก็จะต้องพบปากขอบคนอื่นบ้างก็ต้องมีการพูดจาพูดคุยกันบ้างาเป็นเรื่องปกติดังั้นการมีแฟนนี่มันจะต้องมีมีความไว้ไว้เนื้อเชื่อใจกันมันถึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้ามีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันก็อย่าไปมีแฟนดีกว่า มีแล้วก็ทุกไปเปล่าๆหวงห่วงไปตลอดเวลาปัญหาอยู่ที่เราเราใจไม่กว้างแล้วเราไม่ยอมทําใจเราต้องคิดอย่างนี้ว่าเอ้าเราเลือกเขาแล้วเราเชื่อใจเขาแล้วแต่ถ้าเขาจะไม่ซื่อสัตย์เขาจะไม่มีแฟนใหม่ก็เราก็ปลงแต่ว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันมันจะได้เห็นความทุกข์ของการมีแฟนแล้วมันอาจจะเลิกต่อไปนี้ไม่มีแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า เหมือนหลวงปู่ขาวเนี่ยประวัติท่านเคยได้ยินไหมหลวงปู่ขาวท่านก็มีภรรยาแล้ววันดีคืนดีภรรยาท่านก็ไปแอบมีชู้แล้วท่านก็ไปเจอเข้าตอนที่เจอมันมันเลือดขึ้นเต็ม ข, ข, ขึ้นตาเลยคิดอยากจะฆ่าเขาทั้งสองคนเลยแต่พอดีได้สติมายับยั้งบอกว่ า, วาถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็เลวกว่าเขาเพราเพียงแต่นอนร่วมกันเท่านั้นเองให้เราถึงก็ไปฆ่าเขาเลยเราทําปาณ า, าติบาศมัน เป็นกรรมหนักกว่าการไปประพฤติผิดประเวณีต้องหลายเท่าท่านก็เลยได้สติท่านก็บอกว่านี่แหละความสุขความทุกข์ของผู้ที่มีของผู้คลองเรือนของผู้ที่มีแฟนเนี่ยก็ต้องท่องทุกข์แบบนี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์แบบนี้ก็ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าท่านก็เลยประกาศยกแฟนให้กับชู้ไปเลยแล้วก็บอกจะขอลาไปบวชแล้วแล้วท่านก็ไปบวชจริงๆไปพบหลวงปู่มั่นแล้วก็บรรลุธทําใน ทำขั้นสูงสุดในที่สุดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะดีถ้ามีแฟนแล้วมีทุกข์มันจะได้เกิดปัญญาขึ้นมา่าการมีแฟนนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอ่าใจยไหมคาถามข้อต่อไปจะคุณมาเลิกเกรดนะครับทุกข์ข้ามจักเจริญสมาธิอาณาปานสติแต่ด้วยแวดล้อมอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังโดยรอบ จึงนํเอาหูค้อบเจ็ดเสียงมาสวมเพื่อการเสียงในช่วงปฏิบัติสมาธิในทางปฏิบัติถือว่ากระทำได้ไหมครับหรือว่ายังถือว่าเป็นนิวรังห้าอยู่จึงกังวลอยู่ครับคือถ้ามันเป็นเสียงปกติธรรมดาธรรมดาไม่ถึงกับรบกวนใจนี่เราก็ไม่ต้องใช้มาตรการแบบเอาอะไรมยายัดหูหรอกท้ายเรามีสติจดจ่ออยู่กับ พุทโธพุทโธของเราไปแล้วเดี๋ยวเสียงต่างๆมันก็จะห่างไกลออกไปเองเวลาจิตเราเข้าสู่ความสงบแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันรบกวนมันทําให้เราภาวนาไม่ได้จริงๆเราจะเอาอะไรมาอุดหูไว้ก็ได้เอาหูฟังที่เราใช้เครื่องหูฟังนี่มาอุดไว้ก็ได้ถ้าคิดว่ามันจะทําให้เราทําสมาธิได้ผลดีกว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าไปลังเกียดเสียงยังทั้งฟังไม่ได้ วเราต้องอยู่กับโลกของความเป็นจริงเราต้องเจอเสียงที่ที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างเราต้องมาหัดทำใจเราให้รับกับเสียงทุกรูปแบบให้ได้มีก็เปล่ามีครับจากคุณใกล้ลุ่มนะครับการเจริญสติในชีวิตประจำวันสามารถใช้ผสมกันได้ใช่ไหมคะเช่นดูลมและทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะถนัดแล้วได้ผลก็คือทำให้ใจเราว่างจากความคิดต่างๆให้ใจเราตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไหลไปกับอดีตหรือไปกับอนาคตไม่ให้ไปไหลกับเรื่องเล่าต่างๆให้อยู่กับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เช่นเราอยู่ตรงนี้ก็ให้อยู่กำลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรม ถ้ามันจะไหลไปก็ใช้พุโทโธหนึ่งมาแล้วใช้การบังคับให้มันตั้งใจฟังหรือดูลมหายใจก็สุดแท้แต่วิธีไหนที่ทําให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้น <c oughs> คําถามข้อต่อไปจากคุณบารนะครับเวลาผมนั่งภาวนาพุโทโธผมอยู่กับลมกับพุโทโธแล้วในช่วงหนึ่งผมเหมือนนึกอะไรไม่ออก พูดโทนึกไม่ออกครับปรากฏลมไม่มีคล้ายผมตายเป็นหลายครั้งแต่ละครั้งเหมือนระยะเวลาผ่านไปเร็วมากอันนี้เรียกว่าจิตรวมใช่ไหมครับแล้วต้องทําอย่างไรต่อจากนี้ครับเคยมีพระป่าท่านหนึ่งเคยบอกว่าอย่าพึ่งไปคิดไปอะไรฝึกใจให้สงบ ก, ก่อนท่านกล่าวถูกหรือไม่ก็มันต้องดูว่ามันสงบหรือไม่สงบ มันมีความสุขหรือไม่มีความสุขถ้ามันสงบจริงมันจะรู้สึกแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจพะมันจะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจเหมือนกับไม่เคยพบมาก่อนความสุขแบบนี้อย่างมันถึงจะเรียกว่าเป็นความสุขจริงถ้ามันยังไม่ถึงจุดนั้นก็พยายามประคับประคองใจด้วยสติต่ตอไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดปรุงแต่งถ้ามันยังรู้เฉยๆได้โดยที่ไม่ไปคิดอะไรก็ให้มันสักแต่วรู้ไปเรื่อยๆไปก่อนก็ได้ ให้รู้อยู่ว่าตอนนี้ไม่มีลมตอนนี้ไม่มีพุทโธก็นั่งอยู่กับความรู้เฉยๆนั่นไปก่อนก็ได้เพราะบางทีมันยังเข้าไปเข้ายังไม่ถึงจุดมันกําลังจะเข้าแต่ยังเข้าไม่ถึงเราก็อย่าเพิ่งเลิกนั่งเราก็นั่งไปเรื่อยๆใช้สติประครับประคองตัวรู้ไว้ก็แล้วกันอย่าให้ไปไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สักแต่ว่ารู้ไปคําถามข้อต่อไปจากคุณมานีนะครับในขณะนั่งสมาธิ เปิดธรรมะบรรยายฟังไปด้วยได้หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการทำอย่างแบบไหนบางคนนั่งสมาธิดูลมก็ไม่ได้พูดโทก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมเป็นตัวกล่อมใจไปก่อนก็ได้บางทีฟังเทศแล้วใจก็นิ่งใจก็จะสงบได้ในระดับหนึ่งพอใจนิ่งสงบแล้วเราก็ลองดูลมต่อไปดูดูลมหายใจต่อไปปิด จิตธรรมที่เราฟังแล้วก็ดูลมต่อไปแล้วถ้านั่งดูลมไปได้เรื่อยๆจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้บางทีมันต้องใช้อุบายหลายขั้นตอนเพราะเวลาเริ่มนั่งใหม่ๆบางทีจิตมันฟุ้งมากมันไม่ยอมอยู่กับพุทโธไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็อยู่กับแต่มันจะอยู่กับเรื่องราวต่างๆก็ใช้เรื่องราวของการแสดงธรรมนี้มาฟังฟังเรื่องราวของธรรมะไป มันก็จะไม่ไปคิดนรื่งนั้นเรื่องนี้ได้แล้วมันก็จะเย็นจะสงบในระดับหนึ่งพอฟังเทศจบเราก็ลองนั่งดูรวมต่อไปที่จะให้จิตรวมเร็วก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปปรีกวยเวกเพื่อจะได้สร้างสติขึ้นมาให้มีกำลังมากๆถ้ามีสติกำลังมากๆาแล้วก็รวมเร็วหรือต้องอาศัยบา ร, รมีเก่าอาศัยชาติก่อ น, อนๆที่เคยได้สร้างสติมาไว้ก่อน อย่างคุณแม่แก้วนี่เท่าที่ได้ฟังมาท่านลองนั่งห้านาทีจิตท่านก็รวมแต่เพียงแต่ว่าจิตของท่านเป็นจิจตพาดพลพอรวมแล้วมันไม่อยู่เฉยเฉยมันไปออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปเห็นนิมิตต่างๆท่านเป็นจิตที่ชอบไปรับรู้เรื่องอจิตของผู้ตายเวลามีอะไรตายนี่จะเข้ามาหาท่านมาเล่ามาม า, มาบ่นมา มาอะไรให้ท่านฟังอยู่เรื่อยๆแต่จิตแบบนี้ท่านบอกว่าไม่ดีสำหรับการปฏิบัติต้องบังคับอย่าให้มันออกถ้ามันออกแล้วมันจะทำให้เสียเวลาเหมือนเหมือนกำหนีไปเที่ยวแทนที่จะพักผ่อนหลับนอนให้มีกำลังก็ไปเที่ยวเสียพอออกจากสมาธิแบบนี้มาก็จะไม่มีอุบเบกขาไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆ เวลาถ้าจิตแบบนี้ถ้าจิตของเราเป็นแบบนี้ต้องดึงมันกลับมาให้มันเข้ามาสู่ความนิ่งความสงบอย่าตามรู้อย่าไปปล่อยมันอย่าไปให้มันไปรู้เรื่องราวต่างๆใช้สติดึงกลับมา <c oughs> ถ้าจิตรอรวมแล้วเราจะมีสติหนึ่งมันกลับมาได้ให้มันกลับมาสักแต่ว่ารู้เฉยๆมีไหมเดี๋ยวสอบถามอาจารย์ในขณะที่ตอนสวดมนต์ พอสวดมนล์ก็หยุดจิตมันเข้าไปอมันแบบมันมีความสุขมากเลยก็หยุดสวดไปมันอ่มันสุขมากไม่เคยแบบมันไม่มีอะไรที่สุขเท่านลอะเขาเรียกอะไรก็ความสงบสมาธิเอพอมันสงบแล้วเราก็หยุดสวดไปแล้วก็นั่งอยู่กับความสงบนั้นไปจนกว่ามันจะหายไปแล้วเราถ้าอยากจะให้มันสงบใหม่แล้วก็สวดใหม่อืทําไหมอาจารย์ครับมีคําถามจากคุณนารัตน์นะครับ พยายามฝึกเดินจงกรมทุกเช้าวันละประมาณ 10-15 นาทีจะรู้ได้อย่างไรว่าก้าวหน้าขึ้นครับก็อยู่ที่ว่าจิตเรานิ่งหรือไม่นิ่งคิดมากหรือไม่คิดมากถ้าเราเดินจงกรมแล้วจิตเราคิดน้อยลงไปจิตเราเย็นจิตเราสบายก็สแสดงว่าเราเก้าวหน้าถ้าเดินแล้วยังฟุ้งอยู่ก็สแสดงว่ายังไม่ก้าวหน้ายังไม่มีสติเวลาเดินนี้ต้องมีสติกำกับใจไม่ใช่เดินออกกำลังกายนะ การเดินจงกรมนี้ไม่ได้เดินเพื่อออกกําลังกายเดินเพื่อเจลี่ยนระยะบทแต่เดินเพื่อสร้างสติต้องใช้พุทโธกํากับการเดินจะใช้พุทโธอยู่กับเท้าก็ได้พุทโธไปก้าวเท้าไปกับพุทโธไปหรือจะใช้คําว่าซ้ายขวาก็ได้เวลาเดินก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาคือให้มีอะไรควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆบางทีเดินสิบห้านาทีนี่ยังยังไม่เข้าร่องเข้ารอยบางทีจะต้องเดินถึงชั่วโมงสองชั่วโมงมันกว่ามันจะมันมันกว่ามันจะหยุดคิดได้กว่าจิตจะเย็นจะสบายได้แต่ขอยหเดินไปเรื่อยๆให้มีสติควบคุมใจอย่าให้มันไปที่อื่นคําถามข้อต่อไปจากคุณธนวัฒนะครับอยากถามเรื่องการทํามสมาธิ ตอนนี้เวลานั่งแล้วรู้สึกจิตว่างยังรู้ลมหายใจอยู่แต่พอเปลี่ยนตัวไปรู้ที่จิตว่างกับรู้สึกว่าตัวเองไม่หายใจมันใจจะขาดต้องเอาตัวรู้มาจับลมหายใจต่อหายใจต่อทำอย่างไรจะผ่านจุดนี้ไปได้ครับก็อย่าไปเปลี่ยนจุดก็ให้ดูลมไปเรื่อยๆ <c oughs> ใชนสักแต่ว่ารู้ไปลมหายใจเท่า หายใจออกจะสั้นจะยาวจะหยาบจะละเอียดก็รู้ไปตามความเป็นจริงของลมไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้เฉยๆคำถามข้อต่อไปจากคุณปุ้ยนะครับถ้าเป็นโรคจิตเวทเช่นไบโพล่า <c oughs> สามารถปฏิบัติธรรมได้ตามปกติเหมือนคนอื่นไหมคะอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าคนที่เป็นจิตเวทนี้เป็นยังไงคนที่เป็นโรคจิตส่วนใหญ่แสดงว่าไม่มีสติ ควบคุมอารมณ์ของเขาควบคุมความคิดของเขาฉนั้นก็ถือว่ายากต่อการปฏิบัติธรรมเพราะคนคนธรรมดาที่มีสติยังไม่สามารถทำจิตให้สงบได้เลยแล้วยิ่งคนที่ไม่มีสติก็คืนชั่วคงจะเป็นเหมือนกับคนที่เมาสุราอย่างนี้คนที่เป็นโรคจิตก็เป็นเหมือนคนเมาสุราคนเมาสุรานี่ก็เป็นเหมือนคนเป็นโรคจิตชั่วคราวเวลาเมาแล้วก็ ไม่สามารถประครับประคองออการกระทำการพูดของเขาได้ฉะนั้นคนที่จะภาวนาได้นี่อย่างน้อยต้องมีสติปกติอย่างพวกเราเนี่ยที่นั่งฟังสามารถฟังเทศฟังธรรมสามารถบริกรรมพุทธโธพุทธโธได้ถ้าไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ก็จะไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้พระอาจารย์ครับมีคาถามสงสัยครับพระอาจารย์พระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย ถ้าเกิดว่าท่านเลือกที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี่ครับแล้วในชาติต่อต่อไปเนี่ยหรือชาติต่อไปเลยท่านจะกลับมา อ, อตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเลยไหมครับ <c oughs> ก็แล้วแต่ว่าท่านทําอะไรไว้ในขณะที่เป็นมหาจากักรพรรดิถ้าท่านไปสร้างบาปสร้างกรรมไปฆ่าคนไปทําอะไรมากๆ ก, ก็อาจจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมก่อนเนี่น้นโอกาสที่จะกลับมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ยากเพราะถ้านเลือกทางจากมหาจากักรพรรดิมันก็จะ ในนิ ส, สัยนั้นกลับมาทีไรก็อยากจะเป็นมหาจักพตรพรรดิต่อไปเราทําอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิ ส, สัยไปเราชอบอะไรเราก็จะกลับมาทําในสิ่งที่เราชอบเช่นเราชอบสีเขียวเราก็จะกลับมาหาสีเขียวชอบสีแดงเราก็จะกลับมาหาสีแดงเราถนัดมือซ้ายเราก็จะกลับมาใช้มือซ้ายเราถนัดมือขวาเราก็จะกลับมาใช้มือขวา เราชอบอะไรแล้วชอบทำอะไรเราก็จะกลับมาทําในสิ่งนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นว่ามันไม่ดีเราก็ต้องฝืนมันถ้าเห็นว่าการเป็นมหาจักรพรรดิไม่ดีคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นในชาติสุดท้ายเนี่ยเพราะท่านก็เคยอาจจะเป็นมหาจักรพรรดิมาในอดีตแต่ชาติแล้วท่านก็เห็นว่าการเป็นมหาจักรพรรดิก็ต้องไปทําบาปทํากรรมไปทําสงครามไปเข่นฆ่ากัน ท่านก็เลยตัดสินใจไม่ไปในทางนั้นท่านจะไปในทางที่จะให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่ติดตายท่านก็เลยออกบวชคำถามข้อต่อไปจากคุณสยามน์นะครับตอนนี้สวดมนต์ทุกวันค่ะอยากจเจริญภาวนาควรเริ่มต้นอย่างไรดีการเริ่มต้นที่การสวดมนต์นี่แหละการสวดมนต์นี่ก็เป็นการภาวนาขั้นต้น ถ้าเรายังนั่งดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้เราก็ใช้การสวดมนต์ไปขย่ากติในชีวิตประจําวันเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยควบคู่ไป ก, กับการทําภารกิจต่างๆอย่าหยุดพุดโทโธก็ต่อเมื่อต้องใช้ความคิดที่เกี่ยวกับภารกิจนั้นแต่ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดในการทําภารกิจเช่นอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวนี้มันไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไป เพื่อบังคับไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆห้ามไม่ให้มันไปคิดถ้าเรามีสติอย่างนี้เวลามานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายจะนั่งสมาธิก่อนหรือ จ, จะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เพื่อกล่อมใจไปในระดับหนึ่งก่อนการสวดมนต์หรือการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นการคล้ายๆว่าหยุดความคิดให้มันน้อยลงไปก่อนเพราะบางทีในชีวิตประจาวันเราทางานเราใช้ความคิดมาก พอจะมานั่งมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ยอมหยุดคิดง่ายๆเราก็ใช้การสวดมนต์หรือใช้การฟังเทศฟังธรรมเพื่อทำให้มันหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆก่อนพอมันไม่คิดแล้วเราก็จะได้มาดูลมหรือมาพุโทโธได้คําถามข้อต่อไป <c oughs> อคุณยาเพิ่มน้ำหนักนะครับถ้าต้องเข้าสังคมแล้วมี <c oughs> เพื่อนชวนให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่เราแค่จิบๆเพื่อไม่ให้เสียน้าใจเพื่อน แต่เรามีสติตลอดเวลาจะบาปไหมครับคือถ้าจิบจริงๆก็ไม่บาปหรอกแต่มันก็จะว่าผิดศีลมันมันก็ผิดแต่การดื่มสุราจริงๆมันไม่ได้เป็นตัวบาปการไม่ดื่มสุลานี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้จิตเสียสติเพราะว่าถ้าเสียสติแล้วมันจะรักษาศีลข้ออื่นไม่ได้คนที่ทำดื่มสซราแล้วมักเดี๋ยวมักจะไปทาบาปในข้ออื่นได้แต่ถ้าจีบพอที่จะยังมีสติ สามารถที่จะไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดได้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรแต่กลัวว่ามันจิบแล้วเดี๋ยวมันจะติดมันจะไม่จิบนมันจะซดต่อไปพอจิบนิดจิบหน่อยแล้วมันเดี๋ยวมันอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เมาหรอกก็คิดเองไปก็ซดตอนดื่มมันไม่เมาหรอกแต่มันดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะเมาที่หลังเลยคําถามข้อต่อไปค่อนข้างยาวนะครับจากคุณโรตัสแทนนะครับ <c oughs> กรบผมยืนภาวนาเข้าก็เกิดอาการปวดที่ฝ่าเท้าปวดขึ้นมาที่น่องสติที่บริกา ร, รพุทโธพุทโธอยู่ก็จับอาการปวดนั้นพิจารณากลับไปกลับมาก็ดับเวทนาได้เวทนาหายไป <c oughs> เหลือแต่เพียงอาการอาการหนึ่งที่จิตก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอาการอะไรแต่จิตหมดความยินดียินายในอาการนั้น <c oughs> มาถึงจุดนี้ก็เหลือแต่จิตกับอาการนั้น ต่างคนต่างอยู่จิตก็อยู่ของจิตอาการนั้นก็อยู่ของมันไม่ยุ่งกันแต่รู้สึกถึงกันจิตไม่ยอมบริกรรมพุทโธพอฝืนบริกรรมก็บริกรรมได้สองสามคำแล้วก็หยุดฝืนอีกก็บริกรรมอีกสองสามคำก็หยุดมาตั้งอยู่เฉยๆอาการนั้นอาการนั้นก็ดับไปบ้างเกิดขึ้นมาอีกบ้างสลับกันไป จะว่าจิตสงบก็ไม่ใช่เพราะยังรู้สึกถึงอาการนั้นอยู่จะว่าไม่สงบก็ไม่ใช่เพราะจิตไม่ปรุงแต่งใดๆเลยพอถอนออกมาจิตก็ค่อยๆกลับมารู้ว่าอาการนั้นคืออาการปวดคําถามคือเมื่อสติพลิกเ ว, เวทนาให้ดับลงได้แล้วกระผมควรจะบังคับให้จิตบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ หรือควรปล่อยให้จิตอยู่เฉยๆดูอาการที่ปรากฏครับถ้าจิตอยู่เฉยๆได้สักแต่ว่ารู้ได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่ต้องทำอะไรเราที่เราปฏิบัตินี้เพื่อต้องการทาใจให้สงบให้รับรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นเวทนาความเจ็บของร่างกายในตอนนั้นการปฏิบัตินี้เราไม่ได้ป้องพุ่งเป้าไปที่หยุดเวทนา เพราะเวทนานี้มันเป็นอันนิจจงทุกขังอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้มันหยุดให้มันหายไปได้บางทีมันก็หายบางทีมันก็ไม่หายแต่สิ่งที่เราต้องการหยุดก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการที่จะต้องเจอทุกข์เจอเวทนาความทุกข์ใจของเราเกิดจากความไม่อยากเจอทุกเขเวทนาหรืออยากให้ทุกเขเวทนาหายไปนี่เราต้องมาหยุดตัวนี้หยุดตัวที่ ตัวอยากนี่ให้มันอย่าไปอยากให้มันหายหรืออย่าไปอยากไม่เจอมันเราต้องสอนว่ามันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นทุกขเวทนานี้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราเราต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆฉะงนั้นเราต้องทำใจให้เจอมันแบบไม่รังเกียจมันแล้วเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับมันถ้าเรายังรังเกียจเรายังกลัวมันอยู่มันก็จะทาให้เราไม่สบายใจ นั้นเป้าหมายของการภาวนานี้อยู่ที่การหยุดความอยากของใจที่จะไม่อยากจะเจอเวทนาหรืออยากจะให้เวทนาหายไปอย่าให้มันมีอยู่ในใจเราเร า, เราต้องทําใจให้เฉยเวลาเกิดเวทนาความเจ็บทางร่างกายก็รับรู้เฉยๆแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนอขออนุญาตผู้รับชมทางอินเทอร์เน็ตงดตั้งคําถามแล้วนะครับ จะตอบเท่าที่เหลือนะครับจากคุณไมเลอร์เกรดนะครับการเจริญสมาธิด้วยผลบุญที่เกิดขึ้นในโลกแห่งบุญสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญที่สั่งสมขึ้นนี้มาช่วยให้อาการป่วยของบิดามารดาที่เป็นอยู่ได้ไหมครับเราเป็นผู้สร้างบุญบิดามารดาของเราจะได้บุญด้วยไหมครับไม่ได้หรอกบุญต้องเป็นของใครของมันต้องทากันเอง นั่ก็ดีแต่เราอยู่เฉยๆไม่ต้องบวชไปเที่ยวไปเล่นกันแล้วก็ให้พ่อแม่ให้เพื่อนไปบวชแทนเราแต่แล้วก็ส่งบุญมาให้เราเนี่ยมันก็ไม่แฟร์ใช่ไนะ <c oughs> บุญใครบุญมันนะทานศีลสัปดาหนาี่ต้องของใครของมันต้องทํากันเองเหมือนกินข้าวกินแทนกันไม่ได้หมือนว่า น, นี้ไปบอกเพื่อนให้ <c oughs> hey, วันนี้กูไปกินข้าวที่ร้านนั้นมอร่อยเหลือเกินฝากความอินมาให้มึงมั่งไหมเนี่ยมันจะฝากได้ไหมนะไม่ได้หรอก คำถามข้อสุดท้ายจากทางอินเทอร์เน็ตในวันนี้นะครับจากคุณวิบูลเราจะรักความอยากได้วิธีไหนบ้างครับในเมื่อเราต้องทำงานหาเลี้ยงชีพในปัจจุบันครับต้องพบปะปัญหาต่างๆมากมายในสังคมก็มีทำหลายระดับที่เราสามารถใช้ในการสกัดความอยากได้ท่ามของคาราวาสผู้ครองเรือนก็ใช้ความมากน้อยสันโดษก็ได้ คืออย่าไปมากมากหามาพอกินพอใช้ก็พอแล้วอย่าไปอยากร่ำอยากรวยใหญ่ไปอยากมีสมบัติเข้าของเงินทองสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเอาของที่จำเป็นเท่านั้นอย่างที่ในหลวงสอนว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เรียกข้อมากน้อยสันโดษก็ให้พอใจกับความสามารถของเราเราหาได้มากได้น้อยก็ให้เราพอใจเราก็สกัดความอยากได้ในระดับหนึ่งนี่คือในในใน ถ้าเรายังต้องทำมาหากินหาอะไรอยู่ก็หาในสิ่งที่จำเป็นคือหาปัจจัยสี่หาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยพอได้แล้วก็พอแล้วอย่าไปอยากได้รถเบนซ์อย่าจะไปอยากได้มือถือรุ่นล่าสุดอย่าไปอยากได้คอนโดหรืออะไรต่างๆใ ห, ให้พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ก็จะสกัดความอยากได้เพื่อเราจะได้มีเวลามา มาฝึกสมาธิมาทำบุญมารักษาศีลกันถ้าเรามวแต่จะหาตามความอยากมันจะไม่มีเวลามาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนาเพราะมันจะได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอได้แล้วมันก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องขัดสร้างขึ้นมาภายในใจให้ได้ก็คือความมาักน้อยกับความสันโดษอันนี้เป็นสองคำไม่ไม่ได้ตัวเดียวกันมักน้อยก็คือขอต้องการน้อยๆพอพออยู่ได้ เ, เสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไวส้ไวสำรองเผื่อซักแล้วไม่แห้งหาชุดที่มันใช้ได้ทุกแข่งทุกคนสิชุดขาวเนี่ยไปไหนได้หมดเลยงานไหนก็ไปได้หมดเลยหรือชุดเหลืองเนี่ยไปได้ทุกแข่งทุกคนเหมถ้าเป็นชุดอื่นนี่มันต้องเปลี่ยนโอยงานนี้ต้องสีนั้นงานนั้นต้องสีนี้กระเป๋าก็ต้องสีนั้นสีนี้อโอ้ยมันก็วุ่นวายไปหมด พอมันวุ่นวายมันก็จะไม่มีเวลามันต้องไปหาของเหล่านี้มาใช้กันมันก็จะไม่มีเวลามาทําบุญเพราะเงินจะต้องอามาซื้อของเหล่านี้หมดมันก็จะไม่รักษาศีลรักษาศีลไม่ได้เพราะเวลาหาเงินนี้มันรักษาศีลมันหายากกว่าเวลาไม่รักษาศีลเวลาหาเงินนี้มันต้องโกหกบ้างนิดๆหน่อยๆพูดไม่จริงโกงบ้างหน่อยอะไรโลภมากหน่อยคิดดอกแพงๆหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้เรา รักษาศีลไม่ได้แล้วเราก็จะไม่มีเวลามาภาวนาแต่ถ้าเรามีความมักน้อยสันโดษนี่ยพอเราหาได้ท่านนี้พอละอะพอละไม่ต้องไปหาแล้ววันนี้ทํางานครึ่งวันก็พอขับรถแท็กซี่พอได้ค่าข้าวก็พอแล้ววันนี้เดี๋ยวให้ครึ่งวันไปนั่งสมาธิดีกว่า อ, อันนี้ก็จะทําให้เราได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้เข้าปฏิบัติธรรมได้เข้าหาธรรมะได้กําจัดความโลภความโกรธความหลง แล้วทำให้เราได้หลุดพ้นต่อไปเฉะนั้นเราต้องสร้างความมากน้อยสันโดษขึ้นมาเหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคารวาหรือเป็นพระก็ตามความมากน้อยสันโดษนี้เป็นธรรมที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติธรรมกันเพราะมันจะทำให้เรามีเวลามาปฏิบัติถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะหมดเวลากับการไปหาของฟุ่มเฟือยต่างๆหาของอะไรที่ไม่จาเป็นต่างๆ หาเงินหาทองมากเกินเกินความจำเป็นไปแล้วก็จะไม่มีเวลามาหาธรรมกัน ด, ดี่ไงเพ อ, อยงพอแล้วนาวันนี้เกือบสองชั่วโมงนะก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ อยู่บางแสนก็เลยก็ปี๋ที่อยู่บางแสนที่ปลอดภัยอยู่จะได้สบายใจแต่มีความตายไม่ได้หรอมันคิดว่าอย่างไงอยม่ที่ไหนถึงเวลามันตายมันที่ไหนก็ตายได้เงั้นเดี๋ยวมันจะเครียดไปหมดอยู่ที่ไหนมันก็จะเครียดไปหมดให้มันหาที่ดีที่สุดแล้วก็กระลาบกันไปแต่ถึงเวลามันจะตายมันอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ บอวันนี้ก็ไม่สบายใจอยากมาหาท่านในกลุ่ก็เลยพามาพ อ, อมาตอนนี้บอกทางก็บอกตอนนี้สบายใจแล้วอยู่ <c oughs> เปิดทางให้เขาทำอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ตัณหาความอยากมันอยากมากเกินเหตุเกินผลไปลืมธรรมะไปไน่างกายของเราอยู่ในวังก็ตายอยู่ในธนาคารอยู่ที่ไหนที่ปลอดภัยมียางเข้าตลอดยี่สี่ก็มัวแต่ตาย เวลามันจะตายก็ต้องตาแต่ก็ไม่ัไม่ประมาทถ้าที่ไหนมันมันอันตรายก็อยากจะอยู่ไปอยู่ยที่มันไม่อันตรายจะได้ประโยชน์ไรอ่ะลูก่ะเพราะว่าไดดูแลพ่อก็ไห้พ่อชอบเสยตามไปก็ดีเมื่อก่อนชอบอยู่ตามความตามความอยากอยากจะอยู่ฉลาดอัน <c oughs> นี้ทาไปทำมาสางกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่เพรามื่อก่อนพ่อเขาอยู่คนเดียวก็ดีได้ประโยชน์กัน <c oughs> เป็นเพื่อนกันนี่ มันมีครอบควมันก็ดีอย่างเงี้ยมันมีความอบอุ่นมีคนช่วยกันดูแลกันอยูคนเดียวเนี่ยมันเยอะเกินียหาขกคนเดี๋ยต้องตัสินใจเอาเจ้าไม่ต้องไม่ต้องมีแฟนหรอกมีแบ่มีแฟนก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไปนี ไปอยู่กับพ่อกับแม่เลยไม่ต้องไปอยู่กับแฟนด้วยไม่อบอุ่นเลยอู่กับพ่อกับแม่พี่น้องอย่างู่กับพี่กับน้องไม่ได้ให้อยู่กับแฟนเลยแต่จะแฟนไปทำไมต้องแข่งเต็มเลยไม่เป็ไรแหละเดี๋ยวที่นี่าก็มีมีที่ชร์แก็ลับไปเลยไม่เป็นไรหาช่างออกกัเลย เปนไชิไปทางานหรือเปล่าชิปไปทางานลเหรอคะช่วงนี้อไย่างเงหนูมีหน้าเป็นตึกษาช่วงนี้คือหนูมีพ่อและแม่ที่อยู่บ้านแต่ตอนหนูเขาสบายและพ่อแม่เขาเขียนหนูเขาขอดภัมได้เะน่จะบอกี่เป็นค่ แล้วก็คหนาดูขึ้นข้าร้านเรเขาเิ่มทิ้งบ้านไปแล้เร่กรานาดูข้นตตัวหนูองกลับต้องมาติดคนเดีย้าเกิดมาปลูกฝุดไว้อไว้แค่พัล้านไวไม่ค่ะพ่อแม่แข็งแรงแต่ว่าต้องหาเงรนเลยเขาได้ปลูกักปอกกระเจี๊ยบดูอยู่เป็นเพื่องไปก็ภาวนาไปกาลังคิดว่าคงจะหลีกหนีคนนี้นะคะอย่าปราหยากอย่าประยาให้ใจเย็นๆนะมันจะทุกข์ ช่วงที้สุขภาพหนูมดีเหนูล้มกระดูกสันังหมดทุกทุกนเจ้ามีปัญหึ่งเริ่มกลับมาเริ่มทึ่งมาฝุกที่จะเริ่มนั่งได้เพราะว่าเริ่มปรับร่างกายได้เริ่มดูกาัดูดีได้ก็ดูตอนนี้ก็มีคะว่าแม่คนนั้นก็เดินเลแม่ไปพากระดานยูนในกระดานยูนดูผ่านว้านวนดูแลพุทธเจ้าต้องยี่สิบกว่าปีไม่ได้ไปภาวนา แต่พอพอพิจิพอพ่อพิจิเจ้าตายไปไปภาวนาสามเดือนก็บรรลุเลยพ่อแม่ก็ติดหนูอ่ะอยู่คนเดียวไม่ได้เพ่อพี่จะอยู่กับหนูดูแลไปเถอะแม่เราก็เป็นพ่ะอรหันตนี่ก็เลยเจาะรูวบ้านออกไปในสวนแล้วก็ไปปลูกขุดต่างหากเลยเวลาคุณแม่ชี้ท่านมาก็ให้ท่านพักเรือนแล้วกรองตรงนั้นเลยเวลาไม่ยืก็อยู่ตรงนั้นเลยทำบ้านเป็นว่าไปก็ได้ไม่ต้องไปทำบ้านเงียบอยู่แล้ใช่ใช่ไหมคะ อย่าไปอยากอยากแล้วมันจะชูกทีนี้หนูคิดว่าสงสัยหนูต้องใช้ห้ที่ตรงนี้เราก็เลย อ, อยู่ที่บ้าน ถ, ถึงบ้านคิดถึงบ้านนอนพานอนก็ดูแลเข า, าได้รับใช้พระเจ้ายีา่สิบปีมัน้นแตดูแลแม่ก็เป็นว่าเขาเป็นคนไปเขาไปได้แค่เขาไปใช่เขาไปช่วงนี้เขาก็ถือว่าเขาเก้าวหน้าขึ้นเขาตั้งใจไปได้ทีเป็นเดือนเขาทิ้งบ้านได้ทิ้งพาราณได้ดี สวนก็จะทิ้งเหมือนกันแฟนก็อยากขายแต่ว่าลูกก็บอกให้ทิ้งว่อย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรกิจการก้าวหน้าใช่ที่มันดีมันจะมีราคาขึ้นในมือนยะดิมแล้วก็ลูลกๆเขาก็ไม่เอาสวนก็มาทำํำธุรกิจโรงงานเขาก็เติบโตค่ะหลวงพ่อจะเริ่มเติบโตไปสวยกอ็อาจจะเป็นบ้านจัดสรงจัดฟังไปางได้ที่มันจะน้อยลงตอนนี้คือ พาล่างสวนก็ไม่ต้องทำไรลูกบอกให้เจภานาให้ไปพอเราช่วยเขาเป็นตอนจบแล้วเขาก็ให้ไปภา น, นาเขาส่งคุณใ ห, ใ, ให้เขาเลี้ยงดูเขาตอบแทนได้เินด้วยอะค่ะแต่ว่าเขาเพียงแต่ตัวหนูเองมีเพีข้อเดียวคือต้องดูแลแม่ด้วยแล้วก็แบ่งเวลาตัวเองตอนนี้ก็เลยต้องมาจาับสสงฝึกใหมใ่จะแบ่ง ด, ดูตัวเองนอกจากเคยออกนะคะก็ อ, อยู่บ้านทางที่บ้านนั่นแหละทางที่บ้านาเป็นวัดค่ะกราบขอพระคุณค่ะ ต้องดีใจที่ได้มีโอกาสได้ทดแทนนงินคุณของแม่ติดหนุ่มอ่ะยอมไปไหนท่านก็เร่งเรามาตอนนี้เรามีโอกาสได้ทดแทนเงินคุณเต้องดีตอนนี้หลังหนูยังตับไม่ค่อยจะลงเพราะว่าหนูค่อยสดเส้นไปแรงมาทีจะมาทำให้มันเริ่มปรับแล้วล่างการจะค่อยๆเข้าที่